หลักสูตรที่นําพุทธวจนะมาสอนล้วนๆครั้งนี้ครั้งแรกะครับผมก็เหมือนกันนะครับก็อาจจะรู้สึกสับสนนิดหนึ่งว่าที่เราศึกษามาตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันนี้มีอะไรบ้างนะครับคําสอนของพระอาจารย์คริสเตชไม่ใช่ครับเพราะพระอาจารย์คริสตนี่ไม่มีคําสอนนะครับเป็นคําสอนตถาคตล้วนๆครับผมก็ไม่มีคําวิจารณ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับทำได้ก็แต่น้อมรับนํามาใช้ ไวนะครับในฐานะที่เราก็เป็นพุทธบริษัท4ี่คนหนึ่งนะครับที่พระพุทธเจ้าก็ได้มอบศาสนาพุทธเอาไว้ให้เราดูแลแล้วนะครับจะสิ่งที่ผมจะทำต่อไปก็คงจะเป็นในการศึกษาและก็นำมาปฏิบัติแล้วก็ทำให้ตั้งมั่นและเจริญยิ่งขึ้นไปในได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นครับหากผมทำาได้ก็เป็นที่ไม่ดี ต่อพระอาจารย์เองก็ดีนะครับหรือต่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆการไฟฟ้าสายผลิตที่มาจากโทั่วทุกสารทิศตรงนี้นะครับผมก็กราบขอขมาณที่นี้ด้วยขอบคุณครับคุณวิรัติถาวรสิริค่ะถาวรสิริหรือเปล่าฮะอบรมที่ผ่านมานะในความรู้สึกของผมนะฮะ คือมันได้กระจ่างและออกไปเยอะมากทีเดียวนะฮะและผมได้ถามท่านอาจารย์ในเะคื่องสื่อมายางที่ผมได้ประสบการณ์มาจากสํานักปฏิบัติอื่นมั่งอะไรมั่งที่ผมมาถานคือผมไม่ได้ไปโองตีนะสัอืแต่ว่าผมจะต้องถามไอ้ความเข้าใจได้หายไปหมดนะฮะว่าสำนักปฏิบัติเนี่ยที่ทามาในูกต้องไหมอะไรไหมนะฮะแต่เราไม่ได้มาอบรมปั๊บเนี่ยทําให้เรารู้ในพุท ธ, ธวจนะว่า ของจริงเนี่ยต้องจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะฮะคือการเป็นชาวพุทธเนี่ยผมคิดว่าเป็นได้ทุกคนแต่จะเข้าถึงมากหรือน้อยเนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวเราเนีถ้าคนเรามีความสนใจรู้จักค้นคว้าถามครูอ า, าจารย์ที่แน่จริงที่รู้จริงก็ปัญหากระดิขี่หายไปนะฮะส่วนเป็นในต่างาที่ได้รับฟังมาและซีดี ที่จาราจะให้ไปนะฮะและประเด็ตนตามที่ถามมาเนี่ยผมเชื่อแน่ว่าเราจะต้องนําไปบอกไปสอนทุกคนในครอบครัวนะฮะว่าไม่ว่าจะเป็นบทเป็นภรยายหรือ เ, เพื่อนๆนให้คุณรู้แท้จริงแก่นแท้พระโอษฐของพระพุทธเจ้าว่าองศ์สอนอะไรนะฮะสิ่งที่มันถามอาจารย์มาเนี่ยคือผมไม่นคนอย่าก น, นะฮะไม่อยากเก็บอะไรไว้ในใจฮนะ ถ, ถ้าสงสัยนะั้นผมจะต้องถามทันทีนะผมไม่เก็บนะฮะ พอถามแล้วปั๊มเนีความรู้มันจะต้องเกิดนะฮะแล้วก็นำแล้วก็ได้ความรู้นะ่ะไปสอนอยาเพื่อนเพื่อนเขคนในครอบครัวนะฮะก็ดีใจฮะวัได้มาที่นี่สําหรับพุทธพจน์ของพระเจ้าหรือไม่ว่าพุทธตาวจนะนี่นะฮะผมก็เคยศึกษามามากแต่ว่ามันก็ไม่ได้อ่านมากไม่ได้เจาะลึกถึงขนาดอาจารย์นะฮะคือได้รู้ของความเป็นจริงนะฮะ ก็ก็ขอขอบคุณนะสุวิปัสนาโยพุที่นี้ด้วยนะฮนะและขอบคุณท่านอาจารย์และผู้ให้บริการทุกคนที่นี่ด้วยนะฮะที่ว่าให้เพื่เป็นความกันเองความสบายใจต่อที่อยู่ที่พักที่นี่ก็ดีก็ขอขอบคุณนะครับขอบพระโมทนาด้วยนะคะคุณวิรัชก็ต้องขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะคะที่ว่าตั้งแต่การที่สนใจพุทธศาสนาก็ได้เข้า หลักสูตรอบรมของอภบเนี่ยค่ะที่จัดก็เลือกอบรมมาเลื่อยก็แต่ละหลักสูตรก็มีวิธีปฏิบัติของพระอาจารย์แต่ละท่านแต่ละองค์ที่แตกต่างไปออก็ปฏิบัติตามทุกทุกพระอาจารย์นะคะทุกวิปัสน า, าจารย์นะคะออจนมาถึงวันนี้ก็อยากจะบอกว่าโชคดี โชคดีที่คุณจิมวิ่าวันโทรไปชวนเนื่องจากตัวเองก็ติดอบรมติดประชุมอีกคอร์สหนึ่งก็ได้ตามมาทีหลังก็ในวันนั้นในวันศุกร์ก็เมื่อมาฟังพระอาจารย์ก็ได้ความกระจ่างชัดนะคะเพราะเป็นพุทธวจนะสิ่งที่เคยปฏิบัติมายังไรก็ยังขอบคุณพระวิปัสนาจารย์ที่ที่เคยเให้คาชี้แนะ ด้วยทีปฏิบัติที่ผ่านมาอยู่ดีเพราะถ้าไม่มีท่านเหล่านั้นก็คงยังไม่เข้าใจพุทธวจนะณนะวันนี้เพราะสิ่งที่เคยทำบางครั้งด้วยงานแล้วก็เวลาที่ไม่สามารถจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมความจริงมีน้องที่ทํางานเอาพุทธวจนะเอาไปให้นะคะเล่มใหญ่เนี่ยค่ะก็พ ล, ลิกดูแล้วก็เก็บเอาไว้เล่มเล็กก่อนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วทาง ฝ่ายอวทรนะคะวางแผนเทคโนโลยีสาสนเทศคุณอัชราวณีพิ จ, จันมนั่งข้างหลังก็เคยนิมนต์อาจารย์คริสต์ไปบรรยายเมื่อปีที่แล้วนะคะแต่ในระยะเวลาสั้นๆก็ฟังท่านก็ยังคือคือก็ฟังแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากอ่านพุทธวจนะแต่ก็ยังไม่ได้อ่านอ่านบ้างไม่อ่านบ้างจนวันนี้ก็ได้เห็นที่ท่าน บรรยายแล้วก็สไลด์ต่างๆทำให้เราได้ทราบพุทธวจนะมากหลายๆหลายๆบทที่ท่ทานนำมาเสนอนะคะอันนั้นถามตัวเองก็มีความรู้สึกว่า ม, มันชัดเจนขึ้นแล้วก็โดยที่เคยปฏิบัติก็ติดบริกรรมเหมือนกันนะคะก็คอร์สนี้ก็ไม่ทราบว่าทำถูกหรือผิดนะคะทากร ก, ก็ ทำแบบที่เคยปฏิบัติแต่ไม่บริกรรมคือเชอบเป็นคนที่ชอบกราบสติปัฏฐานสี่เหมือนที่พระอาจารย์ทองมั่นสอนคอร์สนั้นนะพอกลับไปที่บ้านก็จะอย่างไรก่อนนอนก็ต้องกราบสติปัฏฐานสี่เพราะมีควมรู้สึกว่าเคลื่อนมือตามรู้มือแต่ละข้างชัดเจนคือไม่มีเวลายังไงทําอย่างนี้เหมือนนั่งทําสมาธิอย่างหนึง่งเพราะท่นานอาจารย์เคยให้ข้อชี้แนะอย่างนั้นมาเที่ยวนี้ก็กราบแต่ไม่บริกรรม ก็ยังขัดขัดอยู่เหมือนกันนะคะช่วงวันแรกแรกแต่พอทำไปทำไปก็ก็ทำได้ก็มีความรู้สึกว่าเราเอามาปรับใช้ได้และอันไหนที่เป็นพุทธวจนะที่ทำให้เราเข้าใจขึ้นเราก็เดินตามพุทธวจนะบมีมีหลายหลายอย่างที่ที่เอ่อ อาจจะเป็นอย่างเห็นด้วยกับพระอาจารย์นะคะที่มีมาตรฐานขึ้นมาอ่าอันหนึ่งนะคะมาตรฐานที่ทําให้เราสามารถจะเข้าใจธรรมะโดยที่ไม่ต้องอ่านหนังสือหลายเล่มหรือว่ามีคําถามที่อยากจะถามหลายๆรูปแบบที่ได้คําตอบไม่เหมือนกันถ้ามีพุทธวจนะแล้วก็อ่านแล้วก็ได้คําตอบที่ชัดเจนกับตัวเองหรือจะเรียนถามผู้รู้เช่นอย่างพระอาจารย์ก็ได้อย่างนี้นะคะ อันนี้เป็นความรู้สึกก็ก็ยังก็ยังจะกลับไปอ่านเลยล่ละผู้ธมผจนะที่มีอยู่แล้วก็สนใจจะจะมาฟังท่านอีกถ้าอภิอบอจัดก็อยากจะขอเข้าร่วมอีกนะคะฝากฝังไปเลยขอบคุณค่ะสาธุค่ะได้ค่ะขอเหมือนท่านเมื่อกี้ว่าถ้ามีอะไรภาพพลังก็ขอ อโหสิกรรมนะคะค่ะถ้าถึการก็เราก็ขอโหสิกรรมถึ่งกันและกันนะคะมีอะไรเชิญสุดารัตน์ค่ะเออต้องบอกก่อนนะคะว่าถึงจะมาปฏิบัติธรรมแต่ว่าพูดตอนน้าคนเยอะขนาดนี้หนูก็ยังตื่นเต้นอยู่นะคะและ้วก็อยากจะบอกว่าน้องขอบคุณพี่จิมก่อนเพราะว่าตอนนั้นน่ะหนูติดอบรมคือจริงๆวันนี้ก็ติดแล้วก็บอกพี่จิมพี่จิมก็บอกว่าคือแบบอินซิส์ว่ายังไงก็แบบควรจะมาอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าโชคดีจริงๆที่ได้มาเพราะว่าคือแบบ หนูก็ส่วนมนทาสมาธิของหนูไปวันๆแต่ว่าก็ไม่ได้รู้ว่าแบบมันกว้างขนาดเนี้ยค่ะมันก็ละเอียดมากมายขนาดนี้ทำให้ได้รู้ว่าแบบการที่มาอย่างเงี้ยความรู้ความศรัทธาที่เรามีอยู่อ่ะมันแบบคิดเล็บจริงๆอ่ะก็ทำให้แบบได้รู้สึกว่าโอเคต่อไปเราควรจะแบบมีศรัทธามากกว่านี้แล้วก็ทาให้หนูรู้สึกอยากศึ ก, ศกษาพระพุทธศาสนามากกว่านี้ค่ะแล้วก็อยากจะไป บอกคนใกล้ชิดหรือว่าคนรู้จักกันาโอเคจริงๆพระพุทธศาสนามันเป็นแบบนี้นะมันดียังไงวิธีการทำสมาธิที่ทำให้เรามีสติอยู่กับตัวแล้วก็ทำให้เราอะสามารถใช้สติในการแก้ปัญหาแล้วก็ในการคิดในขั้นตอนของต่างๆของชีวิตเราในแต่ละวันเนี้ยค่ะแล้วก็อยากจะขอขอบคุณพี่ๆอีกหลายๆขั้นด้วยที่ว่าเวลาไม่เข้าใจอะไรในเรื่องพระพุทธศาสนาพี่ก็ช่วยกรุณา อธิบายให้ฟังทำให้เรากระจ่างขึ้นไงนนะคะยังแบบแล้วแล้วหนูก็รู้สึกว่าอืมะะตอนนค้ค่ะจดไว้ก็ <c oughs> ทำให้เราได้คิดเยอะขึ้นจริงๆนะคะเพราะว่าหนูก็คิดว่าส่วนมนั่งสมาธิมันแค่ทำให้เรามีสติอยู่กับตัวแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันเอาไปใช้ได้เยอะมากๆในชีวิตประจำวันเอยในการคิดแต่ละอย่างแล้วก็ ทำให้หนูมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นมากๆแล้วก็การได้มาเรียนรู้พระพุทธวจนะเนี่ยทำให้หนูรู้สึกว่าโอเคสิ่งที่เรารู้มาบางอย่างมันก็มีทั้งผิดทั้งถูกแต่ที่เคยสงสัยว่าเอ๊ะอาจารย์ท่านเนี้ยพูดแบบเนี้ยแต่อีกท่านหนึ่งอ่ะก็พูดขัดกันแล้วตกลงอะไรมันถูกกันแน่ก็ทำให้เราอ่ะได้รู้ว่ามันมีตมดาดอยู่นะทาให้เราได้ศึกษาได้มากขึ้นไงนค่ะแล้วก็ สุดท้ายก็หวังว่าต่อไปก็จะได้มารุ่มบุญกับพี่ๆอีกนะคะหวังว่าจะได้เจอกันอีกค่ะขอบคุณค่ะในฐานะผู้จัดนะคะจะบอกว่าเริ่มแรกเนี่ยมีความกังวลใจมากเพราะว่ายุปพุทธก็ติดต่อ บ, บอกว่าคุณต้องกรองคนนะเพราะเป็นแนวอานาประนิสติแล้วก็เป็นพุทธวจนะกลัวคนเหมือนกับเขาเรียกภาษาทางโลกคือไม่ถูกจริตนะคะแล้วเดี๋ยวปฏิบัติแล้วจะไม่ไม่พัฒนา นะคะจิไม่บอกใครเลยนะคะว่าเป็นยังไงเพราะมีลูกศิษย์ท่านหลายหลายคนเหมือนกันก็ก็เลยตัดสินใจจะบอกกับหัวหน้าว่าอะไรจะเกิดก็เกิดนะไม่ขอบอกเพราะว่าถือว่าจิคิดว่าถ้าบุญได้สร้างกับท่านมาลูกศิษย์ท่านในนี้ก็จะต้องปิ๊งปิ ง, ป, งปิ๊งกันขึ้นมาก็ขอให้เป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าหนึ่งเรเบรตู้มาเราประหยัดรถนะคะเพราะมันค็ไม่ถึงขนาดที่ว่าจะปฏิบัติได้แล้วต้องส่งรถตู้กลับหรืออะไรอย่างเงี้นะคะคือตอนแรกมองวาดภาพอันขนาดนั้นว่าจะมีการ พอเป็นอานาประศิษฐ์เราจะต้องเวียนศีรษะไม่สบายหรือเปล่าอย่างนี้นะคะแม้กระทั่งก่อนวันอบรมวันสุดก่อนอบรมวันเราอบรมวันวันศุกร์ใช่ไหมคะวันพฤหัสทางเจ้าหน้าที่ยูพย่งโทรมาบอกว่าได้กลองคนหรือเปล่าอ๋อไม่ได้กลองถึงจะกลองก็กลองไม่ทันแล้วเพราะว่าเราเราทําบัญชีรายชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยเสียงมาปรากฏว่าโอ้วันที่สองวันที่สามรู้เลยนะคะว่าขันห้าตีกันยุ่งฟุ้งแต่ฟุ้งดีนะคะคือฟุ้งที่ว่า อยากจะให้นิมนต์พระอาจารย์อีกอยากให้จัดอีกนะคะก็มีคนมาแนะนําเยอะมากก็มีหลายท่านทีบอกว่าช่วงบ่ายเนี่ยเราน่าจะยกคอสไ ป, ไปลาที่พระอาจารย์ไปต่อที่พระอาจารย์ขนาดนั้นเลยนะคะบอกเราทําไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะมันต้องเป็นไปตามโปรแกรมมานะคะก็เป็นสิ่งที่ดีใจที่ทุกคนได้ไปนะคะเพราะว่าการทํางานตรงนี้แล้วถ้าเกิดทุกคนได้เนี่ยไม่ใช่ได้คนเดียวนะคะ ถ้าถื อ, อทีก็คือเป็นเป็นบุญข้ามพพข้ามชาตินะคะคุณทิบอกว่าเป็นปิติมากบอกหลักสูตรเนี้ยเป็ไม่ปิดวาจาแต่ทุกคนน่ารักทุกคนออกแสดงออกด้วยความที่รู้สึกว่าประทับใจในอาจารย์จนขันห้าตีกระจุ่งเก็บไม่ได้แล้วเวทนามันออกมาหมดเลยนะคะว่าเดี๋ยวก็วิ่งหาพวิภาวาลทำไมไม่จัดอีกทำไมวิม่งนี้ก็คนมีใจคนมาแนะนาทั้งนั้นเลยนะคะเราก็รู้ว่าทุกคนทราบซึ้งในพระอาจารย์มากตัวเองก็เหมือนกันนะคะพอพอทําแนวอนาปณสติก็ถึงเขียน ไปไปหาพระอาจารย์ว่าโอ้ศจั่นมากสจั่นจริงๆนะคะเพราะว่าไม่ต้องกําหนดไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นทํารู้สึกเบาเบานะคะแล้วก็มีมีอาจารย์มาหลไหลยอยากให้เรากระทบนี่นะคะรู้สึกว่าอ๋อของพระอาจารย์นี้ใช้ได้เลยนะคะก็ก็เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างมากจริงๆน ะ, ะว่าที่ท่านนั้นยังยังบอกกับลูกศิษย์ท่านเลยบอกว่าเราไม่ทราบว่าตอนแรกเนี่ย ยุวพระอาจารย์จะอยู่ที่ยุวพุทธใช่ไหมคะถ้ารู้ว่าพระอาจารย์ต้องวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเราจะขอรถถวายท่านรับส่งเลยนะคะยินดีเลยแต่เผอิญทุศิษฐ์ท่านบอกว่ามีคนถวายรถกับท่านหมถึงเวลาท่านไปไปเทศเนี่ยก็ก็มีรถรับส่งท่านเราเตรียมรถส่งท่านแค่วันสุดท้ายเองนะพอตามที่ยุวพุทธขอมาบอกพอเห็นท่านเทศเป็นรู้สึกผิดเลยเราไม่เตรียมรถให้ท่านขนาดนั้นนะคะเขาบอกไม่ใช่ไม่เป็นไรเพราะว่าท่านไปเทศที่ไหนท่านก็ไม่ขอรถเพราะว่าท่านมีรถที่ทุศิษฐ์ท่านถวายนะคะ ข้าก็ขอแชร์กันทุทกที้ค่ะทุกโมทนาบุญค่ะกลับนิมนต์เมตตาท่านอาจารย์เก่อปัญหาเกื้อกูลเก่การปฏิบัติเจ้าค่ะขอกันนะครับมีอยู่อีกสิบแปดคำถามนะครับฌ า, านและญาณแตกต่างกันอย่างไรการจำรุปทำขั้นสูงใช้ปัญญาด้านเดียวโดยไม่ต้องผ่านฌานมีหรือไม่ครับ จะหมายถึงอีกอย่างก็คือสัญญาพระศาสนาบอกว่าสัญญาเกิดก่อนญาณเกิดทีหลังยมจะมีญาณคือความรู้เนี่ยยมต้องมีการเข้าไปเฝ้าสังเกตก่อนเข้าไปเพ่งดูเข้าไปตรวจดูเหมือนจับลิงมาอยู่ในกรงนั่งดูสักยี่บสี่ชั่วโมงก็รู้สึกว่าวันหนึ่งเนี่ยลิงมันไม่อยู่นิ่งเราก็ได้ญาณคือความรู้ว่าลิงมันไม่อยู่นิ่ง พระศาสดาอุปมาจิตเหมือนลิงนะกระโดดเกาะกิ่งไม้นั้นปล่อยกิ่งนี้จับกิ่งนั้นปล่อยกิ่งนี้เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเป็นอนิจจงท่านก็บัญญัติจิตเนี่ยเป็นอนิจจงมีการเกิดมีการดับนั่นคือได้จักฌานคือการเพ่งเข้าไปเพ่งเข้าไปเฝ้าดูแล้วเกิดญาณคือความรู้คําว่าเพ่งเป็นคํากลางๆเพ่งมากเกินไปไม่ดีเพ่งน้อยไปไม่ดี ต้องเพ่งพอดีการเพ่งอย่างม้าอาชาไนการเพ่งอย่างม้ากระจกภิกษุอาชาไนเพ่งอย่างไรเพ่งแล้วเห็นเกิดดับพิสุกระจกเพ่งเพ่งอย่างไรเพ่งแล้วไม่เห็นการเกิดการดับนกะก็เป็นม้ากระจกเป็นภิกสุกระจกนะเหมือนความเพียรเหมือนกันความเพียรที่ปาลบจัดเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านย่อหย่อนเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความเกียดคล้านโสณะเธอจงปาลบความเพียรแต่พอดี จงเข้าใจความที่อินทรีย์ทั้งหลายต้องเป็นธรรมชาติที่เสมอๆกันให้กำหนดหมายในความพอดีนั้นไม่เถิดความเพียนก็เหมือนกันเป็นคำกลางๆเพียงมากก็ไม่ดีเพียนน้อยก็ไม่ดีนะนี่เรื่องของฌานกับยาน <c oughs> การการจับบรรลุธรรมขั้นสูงใช้ปัญญาด้านเดียวไม่ต้องผ่านฌานได้หรือไม่ ในกรณีของฌานเนี่ยจะมีฌานที่เป็นเรื่องของสมาธิจะมีฌานหนึ่งสสามซึ่งบางคนอาจจะไม่ได้ฌานนี้ก็ได้แต่บางคนจะมีปัญญาเครื่องจอดแทงกิเลสจะเป็นแบบทุกข์ขาปฏิปทานะคือปฏิบัติเป็นทุกข์ถ้าใครได้ฌานหนึ่งสอสามสี่พระศาสดาจะบอกเป็นสุขขาปฏิปทาในทั้งสองปฏิปทานนี้มีทั้งสองด้านคือ ทุขาปฏิปทาแล้วบรรลุเร็วบรรลุชา้าสุ ข, ขาปฏิปทาบรรลุเร็วบรรลุช้าทั้งคู่บรรลุเร็วช้าขึ้นอยู่กับอินทรียห้ศรัท ธ, ธาวิรยวิยะสติสมาธิปัญญานะที่พระอาจารย์กล่าวว่าสมาธิมีอา น, นิสงส์งมากกว่าทานศีลแต่สมาธิก็มีในศาสนาอื่นเขาจะได้อ น, นิสงส์งเช่นกันหรือไม่และการดูจิตพระพุทธเจ้าเล่กล่าวถึงเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับ พยายาพูดให้ถึงพระพุทธเจ้านะเขบอกพุทธเจ้าตรัสว่าอันนี้สมาธิมีอันนี้สงมากกว่าศีลเราจะได้ทราบว่าคำแต่ละคำเนี่ยต้องโยงไปถึงพระาศาสดาทำไมพระาศาสดาพูดอย่างนี้ทำไมพระาศาสดาสอนอย่างนี้เนี่ยเราจะได้รู้ว่าเออเรากำลังสงสัยและไคร้กวนในธรรมาศาสดานะอ า, อาจารย์คริขฤตเนี่ยเป็นแค่ผู้พูดตามนะเป็นแค่กระบอกเสียงให้พระาศาสดา เราจะมาถกกันในคำของพระศาสดายมต้องนึกตลอดเวลานี่คือคำพระศาสดาเนะ <c oughs> นี่นั้นเอ่อที่มีนิสงมากกว่าทานมากกว่าศีลแต่สมาธิก็มีในศาสนาอื่นเขาจะได้นิสงเช่นกันหรือไม่ได้อยู่ก็ยมดูเวลาที่เอ่อพระศาสดาจะบอกสอนธรรมะหลังจากตรัสรู้ พระองค์เข้าไปหาใครก่อนเข้าไปหาพวกได้สมาธิแต่ในศาสนาอื่นมีสมาธิมีจริงหรือเปล่าปัญหาคือตรงนั้นไอ้สมาธิที่ว่านะ่บ้างก็บอกว่านั่งเข้าสมาธิต้องสั่นต้องเขยาข่าไปคนละเรื่องแล้วเห็นนะงนั้นต้องเป็นสมาธิจริงๆอย่างที่มันเป็นสัจจะของธรรมชาตินะคือตั้งแต่ปฐมฌานถึงสัญญาเวทิตานโรธ อาจารย์เก่าของพระพุทธเจ้านะก็เข้าสมาธิอากินจัญญาจตนะได้เข้าเนวสัญญาณสัญญาจตนะได้แต่จะไปบอกสอนตายไปซะแล้วก็ไปถึงปัญจวัคคีย์ซึ่งเขาก็มีสมาธิเขาเหมือนกันเห็นไหมรั้นผู้เช้าเข้าไปหาคนที่ได้สมาธิจริงๆไม่ใช่ว่าได้สมาธิเล่นๆพูดว่าแต่มีสมาธิแต่ไม่ใช่สมาธิจริงๆไปเป็นนิมิตบ้างไปอะไรบ้างอย่างเนี้ย นะก็ไปคนละเรื่องใครได้สมาธิก็ชื่อว่าลาดเอียงน้มเอียงเทีเงไปสุนิพันก์กำลังได้ละแต่ถ้าเขาไม่มีปัญญาเห็นอริสัตก็ไม่ได้เหมือนกันนั้นปัญจวัคคีย์ถ้าไม่มีอริสัตถ์สี่ก็ไม่บรรลุธรรมนะการดูจิตพระเจ้าได้กล่าวเรื่องนี้อย่างไรในเรื่องของจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ขณะที่เรารู้ลมหายใจเนี่ยจิตกําลังรู้ลมถ้าเรารู้ว่าจิตเรากําลังรู้ลมนี้เป็นจิตตานุปัสนาดูจิตละจิตไม่ได้ไปรู้อย่างอื่นแต่รู้ลมหายใจเห็นไหมแค่นั้นเองง่ายๆนะอาณาปานสติเป็นสติปัฏฐานทั้งสี่ครบเลยกายเวทนาจิตธรรมครบถ้วนและหลักการดูจิตอย่าให้จิตเนี่ยไหลไปกับอารมณ์ให้จิตเนี่ยรู้อยู่กับอารมณ์มันเดียวคือกายหรืออุเบกขาหรือลมหายใจ นะรู้การเคลื่อนไหวรีบดคอยดูว่าจิตขยับไปไหมขยับปั๊บละความเพลินเอาจิตกลับมาที่นี่นี่ดูจิตรักษาจิตทำอย่างนี้ไม่ให้จิตมีสัญโยคะผูกติดกับอารมณ์ด้วยอานาจแห่งความเพลินนะและการดูจิตเป็นอย่างนี้ขอเล่นทางความหมายของปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมและปฏิบัติตามธรรมครับ ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมและปฏิบัติตามธร azz, รมอยู่ก็คือข้อปฏิบัติใดนะเป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายใครกำหนดดับไม่เหลือเพื่อนิพพานนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือปฏิบัติเนี่ยในสายปฏิจจสุบาทเนี่ยใครปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งซึ่งชาติเหตุให้เกิดชาติความดับไม่เหลือของชาติและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือของชาติเนี่ยแหละคือปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ใครปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งซึ่งพบเหตุให้เกิดพบความดับไม่เหลือแห่งพบนะวิธีปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งพบนะไล่ไปอุปทานนะตัณหานะขึ้นไปเวทนาขึ้นไปผัสสะสายปฏิจจะเนี่ยใครปฏิบัติเพื่อรู้อริสัตซในสายปฏิจจะแต่และอาการชื่อว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะส่วนใครสอนธรรมะ ที่เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือแห่งชาติชลาหมอ น, นะเนี่ยเรียกว่าธรรมะกะถึกน ะ, ะจะพูดแต่เรื่องแก่เจ็บตายปฏิจจสุบาทอริสสีโลกุตละนะก็คือตัวอย่างนี้ก็คือพระสารีบุตรก็จะพูดแต่เรื่องนี้พูดแต่เรื่องแก่เจ็บตายวิธีออกจากแก่เจ็บตายทำยังไงจะเรียกว่าเป็นธรรมะกะถึก มีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะมีจิตสมาธิหมายคำว่าอย่างไรต่างกันอย่างไรครับสติตั้งมั่นสติเขาเรียกมีจิตตั้งมั่นสติเกิดแป๊บเดียวเนี่ยดับไปแล้วนะจะเหลือจิตผู้รู้เนี่ยตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวเรียกว่ามีจิตตั้งมั่นนะจิตตั้งนะจิตตั้งประพัสสลังจิตตั้งมั่นจิตประพัสสอนนะ เมื่อมีจิตตั้งมั่นก็คือจิตเมีารมอันเดียวมีสัมปัชัญญะความรู้ตัวที่อยู่ในอารมณ์อันเดียวถ้าต่อเนื่องยาวนานเนี่ยเรียกว่าความตั้งมั่นยมละลึกได้กลับมาที่ลมละลึกได้อาการนี้คือสติสัมปัชัญญะคือความรู้ตัวรู้ตัวต่อเนื่องยาวนานไปห้านาทีสิบนาทีนี่เริ่มเป็นสมาธิแล้วจิตตั้งมั่นละเข้าใจไหมแยกอย่างนี้ ขอให้ยกตัวอย่างปฏิจจสมุปบาทเพื่อใช้ในการพิจารณาปฏิบัติตั้งเริ่มตั้งแต่อวิชชาจนถึงมรณะเทียบกับชีวิตประจําวันชื่อโปรแกรมค้นหาชื่ออะไรมีที่มาอย่างไรและขออธิบายสังขารในปฏิจจสมุปบาทอย่างละเอียดครับปฏิจจสมุปบาทเพื่อใช้ในการพิจารณาเพื่อปฏิบตัติจากอวิชามรณะเทียบกับชีวิตประจําวัน ยมไปหยิบกลางๆงสายมาก่อนก็ได้ภาษะเกิดเวทนาตันหาปรปทานยมไปเดินช้อปปิ้งในห้างเนี่ยนะ่ะภาษากระทบปับ๊บตากระทบกระเป๋าอืมพอใจเกิดความอยากนะจ่ายเงินซื้อยึดกระเป๋าฉันแต่ก่อนกระเป๋าห้างนะเดี๋ยวนี้เป็นกระเป๋าฉันเห็นนะสายปฏิจจทัตตั้งแต่ภาษะเกิดเวทนาเกิดตันหาเกิดอุปทานจากนั้นยมย้อนขึ้นไปที่ภาษามันประกอบด้วยอะไรลูกตากระเป๋าวิญญาณทางตา ใช่กระเป๋าเที่ยงไหมลูกตาเที่ยงไหมวิญญาณทางตาเที่ยงไหมองค์ประกอบของภาษาจะมีสามองค์ประกอบเสมอมีเสียงมีหูมีวิญญาณทางหูอย่างนี้ไอตัวเนี้ยองค์ประกอบตรงนี้อายณนะเรียกสลายอาณะอายญตนะภายในและภายนอกอย่างละหเป็นอายัตนะสิบสองก็คือสลายยตนะและมันมาประทบกันก็คือภาษา แล้วอายยตนะมันทำาจากอะไรมันก็ต้องทำมาจากตัวาธาตุคือรูปนามต้องมีรูปน้ำก่อนต้องมีาธาตุดินน้ำไฟลมมันถึงจะปั้นมาเป็นรูปตาเป็นหูเป็นจมูกได้นะเห็นหั้มเราสาวขึ้นไปแล้วรูปน้ำจะมีได้อย่างไรต้องมีวิญญาณเข้าไปรู้ไม่มีวิญญาณเข้าไปรู้ใครจะเป็นคนรู้รู้ว่ารูปนามมีก็ไม่รู้และทั้งหมดมีเพราะอะไรทั้งหมดคือสังขารทั้งหลายมีเพราะเธอไม่รู้ ไม่รู้ปั๊บเนี่ยระบบนี้เกิดมาทั้งระบบเลยเพราะไม่รู้นั่นเองแล้วโยมก็ลองไลไ่ไปไล่ข้างล่างไปสาวขึ้นข้างบนไ ล, ล่ลงข้างล่างข้างล่างไล่ไม่ยากนะพบก็ไล่ไปจิตไปรับรู้ลมเป็นพบรู้ตามเป็นชาติจบด้วยชลามอนะอย่างนี้ชื่อโปรแกรมค้นหานะชื่ออะไรก็คือด e ี ติปิตกะนะ e, แล้วก็ขีดท i p i Taka คนะชื่ อ, อนี้โยมคีดชื่ อ, อนี้เข้าไปได้ใน App Store นะแล้วก็สัญลักษณ์ตัวนี้จะขึ้นมานะธรรมาจาักรครึ่งหนึ่ง E ครึ่งหนึ่งนะก็โยมก็กดติดตั้งเข้าไปในเครื่องของเราได้หรือเข้าไปใน Android Market แล้วก็สแกนคำนี้เข้าไป หรือยังจะใช้คำว่าพุทธวจนะก็ได้นะสแกนคำว่าพุทธวจนะก็ได้นะหรือสแกนภาษาอังกฤษคำนี้ก็ได้ติปตกะอย่างเดียวก็ได้ที่มาที่ไปก็คือเราบรรจุข้อมูลนะของบาลีสามรัฐ์ตัวนี้นะเข้าไปทั้งหมดนะเล่มนี้สองสี่หปด รุ่นเก่ารุ่นแรกนะแต่เป็นการพริมพ์ครั้งที่สองนะถ้าพิมพ์ครั้งแรกนะเรายังไม่ได้เอามาซ่อมให้ตอนนี้เราซ่อมถอยซ่อมอันนี้ไปก่อนก็คือเอาข้อมูลนี้ทั้งหมดเนี่ยใส่เข้าไปทั้งภาษาบาล i mean? ีภาษาไทยนะก็สามารถตรวจตรวจสอบจากหนังสือเล่มนี้ได้นะบาลีแสมลัตทำครั้งแรกเมื่อรัชกาลที่ห้านะรัชกาลที่ห้าเป็นคนสละพระราชทรัพย์เนี่ยทเอง แจกไปทั่วโลกแล้วก็ทั่วประเทศนะรอนก็ได้หลักฐานจากรอนึงรอนึงได้จากทวาราวดีทวาราวดีได้จากพระเจ้าโศกนะไล่หลักฐานอย่างนี้ข้อมูลเหล่านี้ยังตรงกับที่อัฟกานิสถานที่ถ้ำนะในถ้ำที่อัฟกานิสถานที่เขาระเบิดพระพุทธรูปแล้วก็ไปเจอ ไ ป, ไปเป็นใบลานแต่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างนี้แล้วก็นำมาเลียงต่อกันจนได้เป็นใบลานอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็มาแปล เ, เป็นภาษาลรมานเป็นภาษาไทยอันนี้พระสูตรนี้เป็นเรื่องของอบายมุขหกหนทางเสื่อมแห่งโภคาหกทางตรงกับบาลีสามรัฐสาวินาโซของเราเห็นนะมนั้นข้อมูลที่โยมเรียนมาตั้งแต่เด็กชั้นประถมชั้นมัธยมเนี่ย มีคนสอนเรื่องนี้มาสองพันกว่าปีแล้วและคนสอนคนนี้ก็คือเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะนะมีการเก็บข้อมูลตรงนี้มานะยมคิดดูว่าบันทึกข้อมูลเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยแล้วเก็บไว้ในถำ้ำนะเขามีความศรัทธามีความเชื่อมั่นขนาดไหนว่าคำพระศาสดาเราเนี่ยเลิศที่สุด มีการสอนเรื่องห้ามดื่มสุราเมลัยห้ามเล่นการพนันห้ามเกลียดค้านอย่าคบมิจชั่นอย่าเที่ยวตามตรอกซอกซอยในเวลาวิกาลนะสอนมาแล้วสองพันกว่าปีแล้วสอนเรื่องความไม่ตายมีวิธีเข้าถึงความไม่ตายมา2 0 0พันกว่าปีไม่ได้เพอรเจอเป็นการพูดอย่างเป็นระบบนะสามารถตรวจสอบได้อย่างนี้แลวเราก็เจอในหลักฐานในประเทศไทยที่ลบบุรีที่เพชรบุร ที่ลบบุรีก็สลักลงในศิลาก้อนศิลาเหมือนกันคือก้อนนี้นะอักษปรปารวะภาษาบาลนะีก็เป็นเรื่องของปฏิจจสุบาทการเกิดขึ้นแห่งความตายและการดับไปของความตายเหมือนกันที่เพชรบูรณนะ์ก็เป็นก้อนศิลาเหมือนกันอักษปรปารวะภาษาบาลีไม่ต่างจากที่เราค้นพบหลักศิลาจารึกพ่อคุณรามคำแหงนะที่เป็นต้นกําเนิดอักขระของประเทศไทยในปัจจุบัน นั้นไม่ว่าโยมจะไปเจอหลักฐานที่ไหนจะเห็นว่าหลักฐานทุกอย่างเนี่ยข้อมูลตรงกันเราจึงนํามาใส่ในเทคโนโลยีที่ใหม่ที่สุดในโลกตรงนี้เพราะะฉนั้นมันคือข้อมูลที่เก่าที่สุดอาตมาถึงบอกณนะวันนี้ไม่มีใครโกหกด้านข้อมูลโยมได้นะเพราะข้อมูลหลักฐานที่เก่าที่สุดในโลกเนี่ยอยู่ในมือโยมแนละ้วทุกคนแล้วก็พร้อมโปรแกรมในการสแกนตรวจคนถ้าเรามีเวลาว่างก็ค่อยค่อยค้นไปเรื่อยๆนะ ยังยมอยากตอบแทนบุญคุณบิดามารดาโยมก็คียคําว่าตอบแทนนะแล้วก็บิดาอ่าตอบแทนก่อนแล้วเว้นวร์กนิดหนึง่งแล้วก็บิดาแล้วก็เว้นวร์กแล้วก็มารดาเข้าไปมันจะหาสามคำนี้ให้หมดแต่ถ้ายมคียติดกันมันจะหาเป็นคําติดกันนะยมต้องแยกคํากันอย่างนี้แล้วก็กดค้นหาพระสูตรจะขึ้นมาล้วยมก็จะได้ทราบว่าเราจะต้องตอบแทนบิดามารดาอย่างไร ผมก็อาจจะอ่านในพระสูตรบุญเจ้าก็จะบอกว่าแม้เธอแบกพ่อและแม่ด้วยบาตั้งสองข้างเนี่ยป้อนข้าวป้อนน้าท่านตลอดทั้งร้อปีแล้วท่านอุจจาะปัสสาวะลดเนี่ยก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนแต่ถ้าบุตรคนใดเนี่ยยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธานะผู้ทุศิลให้มีศิลผู้มีความตระหนีให้มีจากะผู้สามปัญญาให้มีปัญญานั่นแหละชื่อว่าเป็นการตอบแทนอยน่างถูกต้อง โยมก็จะได้การตอบแทนบิดามารดาที่ถูกต้องเพราะเรากำลังทำให้พ่อแม่เราเป็นอริยบุคคลใช่ไหมเป็นอย่างนี้นะสังขารในปฏิจจสุบาทสังขารเนี่ยเป็นคำที่กว้างสังขารจริงๆคือตัวนามรูปถ้าสพัพพสังขารทั้งหลายจะรวมบิ ญ, ญญาณเข้าไปด้วยนะอันนี้เดี๋ยวโยมไปดูในซีดีที่อาตมาจะแจกให้นะมีการอธิบายอย่างละเอียดตรงนั้นนะ ปติจัสมบาตเนี่ยอธิบายไว้หลายหลายที่การบวชพระที่ถูกต้องบริบูรณ์มีกล่าวไว้ในพุทธศานะอย่างไรบ้างและขอขยายคำ ว, ว่าตราลักษ์ครับการบวชพระที่ถูกต้องบริบูรณ์มีพระองค์มีบัญญัติไม่หมดในเขตตอนกลางอินเดียต้องใช้พระสิบลูกเป็นองค์คณะสงฆ์นอกเขตตอนกลางอินเดียใช้พระห้าลูกก็ได้นะต้องมีอุปชาคือมีพระที่ รับในการอบรมสั่งสอนดูแลนะต้องมีคณะสงฆ์พร้อมแล้วก็จะถามอันตรายยิ่ธรรมทำทที่เป็นอันตรายต่อการบวชนะเป็นโลกเลื่อนหรือเปล่าน ะ, ะดุถังคันโทคิลาโสโสโ ส, โสโอปมาโลนะมีลักษณะอะไรที่ผู้เจ้าเนี่ยห้ามในการบวชมั่งนะมีโลกร้ายอะไรบ้าง พราแต่ก่อนเนี่ยพอคนมีโรคร้ายก็เข้ามาบวชหวังจะให้หมอชีวกรักษาบวชเสร็จแล้วก็สึดไปเป็นคารวะหมอชีวกก็เลยมาบอกกับพระเจ้าบอกว่าเอไม่น่าให้คนมีมีโรคมากมาบวชเลยนะพระเจ้าก็เลยที่นาว่าอโรคเนี้ยเป็นโรคลมชั ก, กอะไรอย่างเนี้ยไม่ได้ไม่ให้มาบวชอย่างเงี้ยหรือก็จะมีบัญญัติเข้าไปเรื่อยนะมีพิการมรีอะไรต่อะไอย่างนี้ก็จะบัญญัติห้ามไว้ คำว่าไตรลักษณ์คำว่าไตรลักษณ์จริงๆไม่มีในพุทธวจนะนะแต่มีองค์ประกอบของหมวดธรรมครบทั้งหมดคืออนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างสิ่งเนี้ยกระดาษเนี่ยนะมันเป็นอนิจจังคือมันแปลเปลี่ยนได้นะมันขาดได้นะแก้วมันบินได้มันลาวได้นี่อนิจจัง แต่พอแก้วมันแตกโปะไปเนี่ยทุกขังคือแตกสลายนะแก้วที่แตกสลายหาความเป็นตัวตนของแก้วไม่มีแล้วจึงเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นอนัตตาอนัตตาได้มาจากการเห็นทุกขังคือสิ่งนั้นแตกสลายตัวตนมันที่เคยมีจึงไม่มีแล้วทุกขังมาจากอนิจจ์มันจะดับได้มันต้องเสื่อมก่อน ถ้าไม่เสื่อมมันก็ดับไม่ได้ถ้าสิ่งใดเสื่อมสิ่งนั้นจะเดินไปสู่การดับสิ่งใดดับสิ่งนั้นก็คือเป็นอนัตตา น, น, นั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาใช้กับระบบสมมุติคือตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปกระดาษมีจริงไหมใครบอกว่ามีนี่เป็นสุดตรงของความเห็นมิจฉาทิฏฐิข้างที่หนึ่ง เพราะว่าอีกร้อยปีพันปีหมื่นปีกระดาษนี้ก็ไม่มีแล้วใครบอกว่ากระดาษนี้ไม่มีก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอีกฝั่งหนึ่งเพราะปัจจุบันมันยังมีอยู่นะดังนั้นความมีและความไม่มีก็ผิดทั้งคู่นะที่ถูกต้องคือกระดาษใบนี้เป็นอนัตตามีขึ้นตั้งอยู่แล้วจะหายไปเนี่ยก่อนหายก็คือมันต้องเสื่อมก่อนนะค่อยๆเสื่อมเสื่อมเสื่อมจนทังเปื่อยหมด หายไปหาความเป็นกระดาษไม่เจอแล้วแสดงว่าตัวตนของกระดาษมีชั่วคราวแค่นั้นเองเดนะอ น, นิจจังทุกขังแตกสลายอนัตตาคือตัวตนมันไม่มีแล้ว <c oughs> ปัญญาต่อ น, นิดหนึ่งคือมันจะต้องมีปัญญาต่อจากอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเราจะไม่ค่อยถูกสอนคือเนตังมะมะเนโซหาสมิณนะเมโซอัตตา หลังจากเห็นอนัตตากระดาษใบนี้เป็นอนิจจังแล้วยังไงล่ะเห็นตาเป็นอนิจจังอนัตตาแล้วยังไงล่ะก็คือต้องเข้าใจว่าสิ่งเนี้มันไม่ใช่ตัวเราเพราะนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าเมื่อเธอเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเธอจะเข้าใจว่าเนตังมมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโสโอมัสมินั่นไม่ใช่เป็นเดานาะเมโสวตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา น, นั้นนาเมโสอัตตากับอนัตตาไม่ใช่อันเดียวกันนะนาเมโสอัตตาเนตังมะมะเนโมสมัสมินาเมโสอัตตาได้มาจากการเห็นอนัอนตตาแล้วจะเกิดปัญญาสามตัวนี้ปัญญาสามตัวนี้จะถูกเรียกว่าปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะซึ่งเราจะไม่ค่อยเคยได้ยินไม่เคยมีพระสอนทั้งๆ ท, ที่พระเจ้าเนี่ยพูดบ่อยมาก พูดบ่อยพอๆกับอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่สามคำนี้หายไปจากระบบการสอนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะมีน้อยมากที่พระจะเจอคำเหล่านี้นะ <c oughs> ทุดงควัตเป็นการตั้งคำปฏิญาณของพระโดยมีกาหนดระยะเวลาใช่หรือไม่และการกราบพระมีกล่าวในพุทธทชนะอย่างไรบ้างครับทุดงควัตเป็นข้อปฏิบัติ เพื่อการขัดเกลากิเลสอย่างยิ่งไม่ไม่จำเป็นต้องมีกําหนดเวลาไม่ได้บอกเรื่องกําหนดเวลานะอการกราบพระมีในพุทธวจนะอย่างไรผู้เจ้าบัญญัติการกราบอภิวาทอัญชลีคือการไหว้และอภิวาทการกราบนะจะมีในพุทธวจนะแต่ไม่มียังไม่เจอลักษณะท่าทางของการอภิวาส จะมีเรื่องของอัญเชลีเนี่ยคือยกมือประนมนะประนมมือขึ้นนะทําอัญเชลีแต่อภิวาสเนี่ยยังไม่เจอนะเพราะนั้นอภิวาสก็ถ้าเราไปในทิเบตหรือไปอินเดียก็จะพวกป้าทิเบตเนี่ยยืนอภิวาสเนี่ยยืนแล้วก็ราบไปยาวแล้วลุกมายืนใหม่แล้วก็นอนลากไปของคนไทยก็นั่งแล้วก็กราบเนี่ย ก็เอาง่ายๆไปก่อนแล้วกันนะอยืนมันดูจะลำบากเลยเกินนะเคยดยินมาว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงปวงอายุสังขารหากพระอนุนทูลขอให้พระพุทธเจ้าอยู่โปรดสัตตต่อพระพุทธองค์ก็จะมีพระชนชีพยืนนานต่อไปอีกจริงหรือไม่ครับจริงพระศาสดาบอกอย่างนั้นแต่พระอนุนไม่ได้ทูลขอก็เลยไม่ได้อยู่ต่อน่ะ และพระนรนมาขอที่หลังหลังจากปร o l o g อายุสังขารไปแล้วก็เลยเลยไม่สาเร็จประโยชน์นะ <ğlum. S 1> กรณีมีขโมยขึ้นบ้านตอนเราไม่อยู่บ้านแล้วขโมยของมีค่าของเราไปเป็นจานวนมากอันนี้มีผลจากเหตุอันใดเกี่ยวข้องกับ ก, การทำทานที่ไม่ถูกวิธีหรือการสร้างกรรมไม่ดีในอดีตชาติหรือไม่หรือเป็นผลจากกรรมปัจจุบนันขอความกรุณาพระอาารย์โปรดให้ความกระจ่างด้วยครับ เป็นได้ทั้งสองอย่างนะกรรมที่เกิดในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดจากทั้งสิ่งผลที่เรารับในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดจากทั้งอดีตและก็ปัจจุบันปัจจุบันเราอาจจะสร้างกรรมในปัจจุบันก็ได้นะแล้วก็เป็นผลจากการกระทําจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันนี่ด้วยอีกใครบอกว่าเกิดจากอดีตอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะ ต้องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพราะปัจจุบันเราก็สร้างกรรมตลอดเวลานั้นปัจจุบันถ้าเราสร้างกรรมเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระหารอย่างนี้มันก็เป็นกรรมหนักมันก็คือเราทำในปัจจุบันก็รับผลต่อไปอีกยืดยาวนานในอดีตเคยทำอะไรมาก็ส่งผลมาเรื่อยๆ อ, อย่างผู้เจ้าเนี่ยมีในตางดงามนะในตาสีเขียวตางามดุจตาบัว ท่านบอกท่านเคยทำกรรมอะไรท่านบอกท่านเป็นผู้ที่ไม่ค้อนควักไม่จ้องลับหลังนะมองดูตรงๆด้วยสายตาอันช่ำชื่นนี่ลักษณะของผู้ที่จะได้ตางดงามนะนั่นจะมีองค์ประกอบมีลักษณะมีกรรมนะที่ทำแล้วเนี่ยจะได้ผลอะไรเนี่ยส่งผลไปเราอยู่ในระบบของกรรมเป็นตัวกรรมเลยละ่ะเราก็เลยคลุกอยู่กับระบบของมัน หน้าที่ของเราคือเข้าใจเรื่องกรรมเหตุเกิดความดับวิธีดับวิธีแก้ถอนอุปทานออกมาได้ก็จะพ้นจากกรรมได้บนหิ้งพระบางบ้านทำไมถึงมีน้ำใส่แก้วตั้งไว้หมายถึงอะไรพาข้าพระพุทธจำเป็นต้องจัดทำหรือไม่มีพระมาทักว่าบ้านอยู่ทางสามแพ่งไม่ดีและให้ตั้งสัตว์พระภูมิแต่ปัจ น, นตั้งอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษและถนนก็มาตัดเป็นสามแพ่งทีหลัง ขอพระอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยครับก็ไปเงีย่ยโสดลงฟังในคำที่แต่งขึ้นใหม่เยิมนะอย่าไปเงียบหูฟังอย่าไปตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงอย่าไปสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนเขาพูดก็พูดไปนะจะตั้งในที่ดีขนาดไหนโยมกินเหล้าเมาขโมยฆ่าคนก็เกิดผลเสียทั้งนั้นนะ่ะถ้าศีลไม่ดีเจิมรถให้ดีขนาดไหนโยมเมาล็ขับก็เรียบร้อยเหมือนกัน นะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ศีลธรรมของตัวคนนะนั้นบนหิ้งพระบางบ้านนะมีน้ําใส่ก็ต้องไปถามเขานะแต่ผู้เจ้าไม่เคยบอกนะเรื่องรูปปั้นรูปหล่อผู้เจ้าก็ไม่เคยบัญญัติอะไรเอาไว้พาข้าวพระพุทธนะจะจําเป็นต้องทําหรือไม่ก็ไม่มีบัญญัตินะอันนี้ก็มาแต่งกันเอาเองนะ ไปเอาความเห็นของศาสนาไหนมาก็ไม่รู้แต่ไม่มีในคำสอนของศาสดาเรานะขนทางสามแพ่งอะไรก็อย่าไปสนใจนะดีไม่ดีอยู่ที่กรรมการกระทาของเราถ้าเราไปเชื่อเรื่องพวกนี้เนี่ยเราก็จะหลีกจากหลักกรรมนะหลีกจากหลักกรรมที่ถูกต้องไม่มีใครขวนขวายทำดีหรอกไปวิ่งหานะทางมันตรงๆไม่เป็นแพร่งนะไปหาแก้บน ทำไม่ดีมาแล้วก็ไปขอบ่นบานสารกล่าวให้ลูกลอดเถอะนะอย่าให้มีเวรมีกรรมนะมันจะหนีกรรมด้วยการนะไปคิดว่าใครมาสั่งมาบันดาลอะไรได้มันก็จะไปเข้าข่ายมิจฉาทิฏฐิแบบที่หนึ่งคิดว่ากรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลนนะีโสดาบันละได้แล้วเนาะความหมายของการเผยแผ่พุทธวจนะของพระอาจารย์คือหากสนใจศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าสนใจฝึกเจริญสติ ให้ศึกษาพุทธธชนะด้วยตนเองแล้วปฏิบัติตามนั้นใช่หรือไม่หากใช่จะมีกรณีอ่านแล้วเข้าใจผิดปฏิบัติผิดหรือไม่ขอเล่นตีความผิดและขอความกรุณาที่มาเรื่องอินทรีย์สังวรด้วยครับโยมเข้าใจผิดนะตีความผิดคําศาสดาจะขัดกันทันทีเพราะคําศาสดาขัดแย้งกันไม่ได้นะนั้นพระศาสดามีพระสูตรเนี่ยดักคางไว้หมดเลย นี่มันจินตนาการเอาเองเพราะมันยังไม่ได้อ่านถ้าอ่านแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าโอ้โหผู้เจ้าสุดยอดมากนะผู้เจ้าไม่รู้เหรอว่าคนมานั่งศึกษาคำของท่านจะมีเข้าใจผิดรู้หมดรู้หมดทุกเรื่องรู้หมดทุกอย่างสัพพัญยูโยมต้องศึกษาซะก่อนแล้วโยมจะรู้จักว่าสัพพัญยูเป็นอย่างไรแล้วยมจะรู้เลยว่าโอ้โหไม่มีใครสุดยอดเท่าผู้เจ้าแล้วละเอียดมากโยมเข้าใจผิดแม้แต่คนที่แปลนะ่ยโยมรู้ได้ไงมันแปลถูก ใช่ไหมคิดแค่นี้ก็ได้ลองแปลผิดสิพระสูตรจะขัดกันทันทีใช่ไหมไม่ยากเลยเดี๋ยวนี้เราไม่กลัวเลยแปลเกินแปลตกแปลขาดเราเจอหมดเพราะตรวจในคำพระเจ้าด้วยกันเองเหมือนตรวจอะลูประชานให้ดูเนี่ยลองตรวจอะลูประชานที่โยงเคยได้ยินอะลูประชาน <c oughs> เคยได้ยินไหมอะลูประชานลูประชานนะ ถ้าโยมไปตามวัดปฏิบัติหรือวัดปริยัติที่ไหนก็ตามเนี่ยเขาจะสอนลูประชานาลูประชานซึ่งสองคำนี้เนี่ยผู้เจ้าไม่เคยสอนไม่เคยพูดเลยนั้นเราเปรียบเทียบทั้งบาลีและภาษาไทยให้ดูเล่มต่อเล่มหน้าต่อหน้าบรรทัดเดียวกันนะภาษาไทยเนี่ยเจอคําว่าอาลูประชานเนี่ยนะโดยพุทธวจนะเนี่ยมีพสูตรเดียวดูก เป็นดูก่อนอานนท์เราก็เช็คคําหน้าคําหลังบรรทัดเดียวกันแล้วก็ไล่ทั้ง p ารา g r a p เนี่ยว่ามีอัลลูบาชานไหมเราไปดูภาษาไทย <c oughs> เนี่ยอยู่ในสุดตันตปิฎกดูก่อนอนน์เห็นไหมเป็นคําพระพุทธเจ้าตัวคําที่เจอก็คืออัลลูบาชานข้างหน้าคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณข้างหลังโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโลกที่นี้ไปดูบาลี เวทนากตังสัญญากตังสังขาระกตังวิญญาณกตังข้างหลังไม่เที่ยงคืออนิจจโตเป็นเป็นทุกข์ก็คือทุกขโตเป็นโรคก็คือโรคกระโตคําคล้ายๆกันเห็ไนไหมแต่ตรงกลางเป็นอะไรเตธทำเมนะไล่ดูทุกบรรทัดมีไหมอรุปรชานไม่มีนี่ไงแปลกเกินเห็ไนไหมทำไมจะตรวจไม่ได้ตรวจได้แปลผิดแปลเกินแปลตกแปลขาดในบาลีสามนั้นเองก็มีแปลตกแปลเกินแปลขาดตรวจได้ นะยังมีการแปลว่ากายคือจิตซึ่งจริงๆแล้วในบาลีไม่มีไปภาษาไทยไปแปลหลุดยังไงก็ไม่รู้นะอย่างนี้แต่มาดูของท่านผู้ทานท่านไม่ได้แปลอย่างนั้นเราก็เอ๊ท่านผู้ทา่านแปลมั่วหรือบาลีสามลัทแปลมั่วกลับไปดูบาลีเพราะสองคนใช้บาลีเดียวกันแต่ดันแปลภาษาไทยออกมาไม่เหมือนกันปั๊บเราก็ไปตรวจบาลีสินะเพราะฉะนั้น ในหนังสือเล่ม น, นี้อาตมาจึงทําบาลีไทยคู่กันตลอดโยมจะได้ตรวจได้ทันทีไงซ้ายบาลีขวาไทยบาลีไทยบาลีไทยทุกหน้าเพราะมันต้องตรวจสอบจากต้นต่อเดิมโยมจะได้รู้ว่าอ๋อมันมีการเรื่องของสำนวนมีการแปลมีอะไรต่ออะไรอีกจิปาถะเยอะแยะนะเช็คได้ศาสดาเราเก่งเรื่องนี้โยมบัญญัตินิรุตติคือภาษาไม่มีพลาด แล้วยมจะรู้ว่าคำศาสดาเนี่ยซ่อมซ่อมตัวมันเองได้นะซ่อมตัวของคำศาสดาเองได้เพราะพผู้เจ้าจะพูดซ้ำๆกันไว้หลายๆที่ซ้าๆโยมดูสิแบบฟอร์มคำพูดอย่างเงี้มีของใครในโลกที่มีการพูดซ้ำกันเป็นระยะระยะพระสูตรนี้หายเหมือนใบลานนะ่ะมันมีแหว่งบ้างอะไรบ้างเก็บมาตั้งแต่พศหกใช่ไหม เวลาตรงนี้แหวงอ๋อในพระสูตรนี้จะมีคำซ้ำบดพัญ น, นะเดียวกันไว้ปับ๊บเอามาสวมได้ปับ๊บเติมเต็มได้เนี่ยนี่คือสุดยอดพระองค์จึงบอกคำพูดของวงเนี่ยเป็นระเบียบแห่งถ้อยคำไม่มีใครในโลกทำได้แล้วสาวกหน้าไหนจะมีปัญญาบัญญัติให้เก่งอย่างพูะเจ้ามันหมดสิทธิ์เลยโยนะอ่าเพราะนั้นเนี่ยโยมเนื่องจากเราเนี่ยไม่เคย ถูกสอนให้เรียนรู้ความสามารถของศาสดาเราไงเราเลยนึกเอ้ยผู้เจ้าก็อย่างงั้นๆนะ่ะไม่มีอะไรแต่จริงๆริงเโอ้โหไกลสูงมากนะเก่งกว่าพระหลานเนี่ยเทียบกันไม่ได้เลยพระหลานทั่วๆไปเนี่ยผู้เจ้าจึงบอกพระหลานทั่วทั่วๆไปที่ปัญญาวิมุตต์คือหลุดพ้นด้วยปัญญาเนี่ยก็เป็นแค่ผู้เดินตามไม่ใช่ผู้บัญญัติคนบัญญัตินี่คือผู้เจ้าองค์เดียวใช่ไหมอ่า อินทรียสังวรตรงนี้รู้สึกอธิบายไปแล้วคือการสัมรวมจิตอยู่กับกายของเรานะทำบ่อยๆก็คืออินทรียสังวรเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทหลังจากเข้ารับการอบรมแล้วมีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของพระพุทธวจนะที่ชาวพุทธควรจะต้องทราบและปฏิบัติตามแต่ยังมีความติดข้องอยู่ตรงที่ว่าเมื่อไปใช้ในชีวิตประจําวันประเพณีปฏิบัติของชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ ย, ยังติดอยู่กับคําของพระสาวก หรือวัดปฏิบัติของพระสาวกเป็นส่วนใหญ่ควรทำตัวอย่างไรถ้าทำตามเขาจะเป็นบาปหรือไม่ครับ <c oughs> อยู่ที่เหตุปัจจัยโยมนำได้นำนำไม่ได้ตามไปก่อนถึงเวลานำนำอนตาตมาเจอยมผู้หญิงอายุเจสิบกว่าอยู่คนหนึ่งพอเขาขึ้นมาเป็นผู้นำครอบครัวแล้วน่ะ ลูกหลานพาไปเชงเมงนะเขาก็พาลูกหลานเนี่ยอ่านพุทธวจนะที่สุสานนะพานั่งสมาธิเขาก็ไม่เอาละแบบอื่นๆที่เขาเคยทำมาเพราะเขานาลูกหลานได้ละนะไม่มานั่งทำเผากระดาษหรือว่าจุดทูปเทียนอะไรไม่อ่านพระสูตรนะ่ะอ่านพุทธวจนะให้ฟังเห็นนะนี่ต้องอย่างนี้นะ เราขึ้นมาเป็นผู้นําได้ขององค์กรเรานําเลยนําในสิ่งที่ถูกต้องทําไมผู้นําองค์กรที่เขานําผิดเขานําได้แหละใช่ไหมเรานําถูกไปละอายอะไรเรามีหลักฐานมีข้อมูลมีอะไรใช่ไหมทุกอย่างแต่ถ้าเรายังเป็นผู้ตามก็ตามไปก่อนนะหรือถ้าอะไรที่มันทําแล้วมันต้องขัดนะกับร ะ, ะเบียบวินัยของบ้านเมืองที่ยังไม่ได้ถูกรับการแก้ไขเราก็ทําไปก่อน เช่นจริงๆแล้วอาตมาสามารถบวชพระที่วัดได้เลยตามวินยัยโดยไม่ต้องไปอาศัยวัดอื่นนะแต่ปรากฏว่าเราต้องไปอาศัยวัดอื่นในการบวชเพราะเขาบอกว่าอุปชาต้องมีตาตั้งมีกฎหมายรับรองอีกต่างหากถ้าเราไปบวชเองก็ถูกตารวจจับใช่เพราะเขาถือกฎหมายเป็นสาคัญอย่างนี้ทางโลกอย่างนี้เพราะกฎหมายผิดกับกฎธรรมวินยัยเขาไม่รู้ไง แต่มันถูกต่อาออกมาแล้วเราก็ปล่อยไม่เป็นไรเราก็ทำตามไปก่อนแต่เราก็ทำตามด้วยการเกี่ยวข้องให้น้อยที่สุดเช่นบวชเสร็จหนึ่งชั่วโมงเราพากลับเลยใช่และไปเกี่ยวข้องกับเขาแค่พิธีที่เขาจะทำแค่นั้นหนึ่งชั่วโมงแล้วก็จบใช่ไหมนอกนั้นเราก็ไม่เกี่ยวข้องกับเขานั้นเราก็ต้องใช้ปัญญาเยอะใช่เคเสมาในวัดเราก็บวชได้ อุปชาเราก็เป็นได้เกณฑ์กําหนดในการเป็นอุปชาสิพรรษามีความรู้ความสามารถรว่าบัตรหนักอบัตเบาท่องปฏิโมกได้ไรเราอยู่ในเกณฑ์เราก็เป็นได้พระหลายๆองค์ทุกวันนี้ก็เป็นได้แต่ปรากฏว่าไม่มีใบาตาตั้งไอ้ใบาตาตั้งก็วิ่งเต้นจ่ายเงินจ่ายทองกันกว่าจะได้เป็ น, นหืดขึ้นคอเราก็ไม่ไปวิ่งแย่งกับเขาไม่รู้จะไปเอามาทําอะไรใช่ไหมมันก็คงไม่ได้เป็นไปตลอดชีวิตนั่นแหละ ตามที่คนอื่นบัญญัติก็ไม่สนใจใช่ไหมอืมก็เสียเวลากับเข้าแค่ชั่วโมงเดียวแล้วก็จบก็ไม่มีปัญหาอะไรอันเนี้ยเราก็ห า, าใช้ปัญญาพิณาหลบหลีกเอานะอะไรที่เรานําได้ทำได้ในวัดเราเราสามารถทำได้เช่นกล่าวญาติโยมมาทำบุญถวายทานแต่ก่อนเราก็ใช้ยะถาวารีวะหาปูลาปาริปูเลนติสากะลังเลย ปรากฏว่ามาตรวจดูอ๋อไอ้นี้แต่งขึ้นนะบทอนุโมทนาเราก็ไอ้ท่านโตเซิร์ชมาซิบทอนุโมทนาที่พระศาสดาบัญญัติไว้มีกี่พระสูตรอ๋อ8ปพระสูตรหยิบขึ้นมาอะไรที่พอจะเหมือนกับที่พระยุคนี้เขาทํากันอ๋อไอยุโตพัลโททีโลกาเลธ ท, ทันติสัปัญ ญ, ญาเราก็หยิบ2อพระสูตรนี้มาเพื่อไม่ให้แปลกแยกกันมากใช่ไหมพระสูตรอื่นเราก็เก็บไว้ก่อนใช่ไหมเราก็สวดบทนี้สองบทเนี้ย นั้นบทที่เราเคยสวดไปเป็น1ิปีแล้วก็เลิกไปในวัดเราเราทำได้ใช่เพราะนั้นอะไรที่โยมทำได้ปรับได้โยมก็ปรับปรับปรับเคยเรียกกันคูบาเรียกอะไรเราก็ปรับอาวุโสพันเตเรียกให้เหมือนพระพุทธเจ้าเรียกอย่างนี้แค่นั้นเองง่ายๆใช่แล้วยมก็ปรับตัวเองแกเจ็บตายโยมแกเจ็บตายเองนะไปนรกไปสวรรค์ไปนิพพานโยมไปเองนะไม่มีใครช่วยโยมได้ นั้นถ้าโยมไปมวนอนในโรงผ้าขาวกุมน้ํารถตัวแล้วโยมคิดว่าจะพ้นนรกได้ก็ช่วยไม่ได้แล้วโยมไม่เชื่อศาสดายโยมเองตัวใครตัวมันอาตมาก็แค่ให้ข้อมูลโยมเชื่อก็เชื่ อ, อ, อไม่เชื่อก็ไม่เชื่อตถาคตเป็นเพียงผู้บอกบอกบอกแล้วก็จบไปใช่ไหมนั้นถ้าโยมไม่ไม่เชื่อในคําสอนศาสดาตัวเองการกราบศาสดายโยมก็จะหมดความหมายไปโดยอัตโนมัติจริงไหมแหมเท่ากับว่าโยมเนี่ยห่ า, หางไกลศา ส, สดาเป็นร้อยโยศ เราโยมไม่เห็นธรรมะของพระองค์แค่นั้นเองนั้นจริงๆแล้วชาวพุทธเนี่ยเราเราเราเข้าใจผิดคิดว่าคําพวกนั้นน่ะมันมันเป็ น, น, ปนคําพระพุทธเจ้าเพราะมันถูกสอนโดยสมณะสักยะปุตติยะบุตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราก็คิดว่าเขาจะถ่ายทอดมาตรงมาถูกต้องนะอาตมาก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเพราะนั้นจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ผิดทั้งหมดหรือไม่ใช่ถูกทั้งหมดมีถูกบ้างมีผิดบ้าง ผูเจ้าจึงบอกฟังคำใครแล้วเนี่ยอย่าเชื่อทั้งหมดก็คืออย่ารับรองอย่าขัดขานจำให้ดีนะเขาพูดอะไรแล้วเอามาตรวจสอบในหลักธรรมหลักวินัยตถาคตนั้นถ้าปราที่เราไปฟังคำสอนยังสอนตรงตามพุททวจนะก็ไม่ได้แปลกอะไรใช่อ่เราก็ฟังได้แต่กรณีไหนที่มันไม่ตรงเราก็ามาตรวจสอบเพราะเรามีอุปกรณ์อยู่แล้วเราก็เช็คเลยใช่อย่างี้ พอเข้าใจมั้ยาถามต่อจากเมื่อกี้นะครับในทํานองเดียวกันถ้าเราทำตามข่าวเช่นหล่อพระพุทธรูปการสวดมนต์พุทธภาณิชต์ต่างๆจะเป็นการสนัสุนในทางผิดๆใช่หรือไม่ขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยครับก็อยู่ที่ถ้ายมเป็นขลาวาสก็คงไม่มีใครสนใจโยมเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นพระเนี่ย ก็คือหนึ่งไม่เหมาะเพราะว่าพระเนี่ยห่มจีวรถือบาทตามพระพุทธเจ้าและทุกคนเนี่ยมองว่าพระคือบุตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าสมณะในสักยาะตระกูลเราก็จะกลายเป็นไปการันตีของผิดใช่ั้ยนั้นถ้าอยู่ในสถานภาพของพระอาตมาก็จะพยายามไม่ทําการไปงานหล่อพระปลุกเสกอะไรเนี่ยอาตมาจะพยายามหลีทุกวิถีทางนะ เชิญมาเลยมาเขาจะพยายามไม่ไปหากิจธุระอื่นนะปฏิเสธเข้าให้มากที่สุดอย่างนี้เช่นพระองค์ทรงห้ามปลูกเสกนะลองขึ้นพระสุทธให้ดูไม่มีบัญญัติเรื่องการสร้างพระอันนี้สงการสร้างพระก็ไม่มีในพุทธวจนะ แต่อา น, นิสงค์การสร้างกุฏิวิหารมีในพุทธวระนะเห็นนะวันนั้นเราดูอะไรที่พระเจ้าไม่มีบัญญัติเนี่ยเขาจะไม่ทํากันเหมือนกับว่าก่อนนั้นเนี่ยพระเจ้ายังไม่ได้บัญญตัติอนุญาตให้พระเนี่ยมีกุฏิมีคาวาะมาถวายกุฏิพระพระยังรับไม่ได้เลยบอกว่าต้องไปขออนุญาตพระเจ้าก่อนเห็นนะเขาจะไม่กล้าทําเลยอะไรที่ไม่เคยบอกไว้เนี่ย โยมเห็นศ า, าลาลาบันไดาทางจงกรมยกสูงอะไรมีบัญญัติหมดนะผู้เจ้าบัญญัติลาบันไดบัญญัติส้วมบัญญัติโถส้วมอะไรต่ออะไรยกสูงไหมพ้นน้ําเหนือหูละเอียดยิบหมดเลยโยมนะแม้แต่การเข้าห้องน้ําห้องส้วมอย่าทําสกปรกให้ทําความสะอาดอย่าทำกิจอื่นไปพลางอุจละไปพลางอย่าเบ่งแรงนะโอ้โหบอกละเอียดหมดเลยการกินการอยู่หลับนอนอะไรจะทํำยังไงที่ถูกต้องเห็นไหม นี่ความเป็นศาสดาบัญญัติทุกเรื่องโยมเนี่ยตอนนั้นพิธีกรรมพวกนั้นไม่มีเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะแยะนะไปปลูกเสกปุ๊บก็เอาพราหมณ์ไปนั่งนะสูงเลยพระไปนั่งพนมมือแต้ฟังพราหมณ์ไปบางคนก็เป็นฤาษีหนุ่มๆหนุ่ ม, น, มนวดยาวไว้ผมยาวหน่อยบอกอายุพันกว่าปีแล้วก็ขึ้นไปมพอมีพิธีกรรมก็ไปมองอะไรกันก็ไม่รู้นี่มันเป็นปัหาอย่างนี้นะ นั้นถ้าเราไม่ย้อนกลับเข้ามาหาพุทธวจนะเนี่ยโยมมันจะเลอะลือนเละเทะกันไปเรืเ่อยๆเรื่อยๆหนึ่งความเห็นต่อนหนึ่งคนตอนหนึ่งปีที่เติมเข้าไปในศาสนาพุทธสองพันกว่าปีก็สองพันกว่าความเห็นจะจบที่ความเห็นใครอะโยมอาจารย์ฉันก็เก่งทั้งนั้นน่ะทุกคนก็อาจารย์ฉันอาจารย์ฉันไล่ไม่ถึงผู้เจ้าสักทีหนึ่งใช่ไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อืมเวลาใครพูดอะไรมาถามโยมถามกลับเข้าไป มีพระสูตรไหมเขาสอนมาปั๊บเนี่ยอยู่ในพระสูตรไหนบทไหนนะถ้าเขาบอกปั๊บเป็นคํำผู้เจ้าเนี่ยขอถามพระสูตรเลยเราสแกนหาฟับเดียวเจอไม่เจอแสดงคุณพูดเองนะคุณพูดเองเราไม่เชื่ออย่างนี้นะนี่มันไปขนาดนี้แล้วนะโยมเนะี่ยวัดป่านี่กันเองนี่แหละสาขาด้วยกันเองแต่ก่อนในสมัยก่อนเนะี่ยแหละทำกันอย่างนี้เนี่ยนะแล้วคนสี่ห้าร้อยก็มองก็เอ๊ะตกลงแล้ว ต้องกาาราบคารวาโดยเลยเนี่ยมันยังไงกันเนี่ยนะขนาดภิกษุณียังต้องบวชแม้ร้อยพันสายยังต้องกราบภิกษุแม่บวชในวันนั้นเลยนะไปกันใหญ่เนาะนั่นตรงนี้เราก็ไม่ต้องไปสนใจนะเราแก้ที่ตัวเราเองโยมเราไม่สนับสนุนเราจะสนับสนุนสิ่งที่ถูกต้องนะค่อยๆทาไปเรื่อยๆมันอยู่ที่ว่าหมู่ของใครมาก ถ้ามูพุทธวจนะมากขึ้นปั๊บเนี่ยมูชนที่ไปใช้คาที่แต่งขึ้นใหม่ก็จะเป็นชนส่วนน้อยไปโดยอัตโนมัติน่ะผู้เจ้าบอกว่าถ้าพระไม่ดีมีมากกว่าพระที่ดีก็ต้องนั่งนิ่งก้มหน้าคอตกซบสาวท่ามกลางสงก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเขามีกำลังมากกว่าแต่ถ้าพระที่ดีมากกว่าพระไม่ดีก็ต้องนั่งก้มหน้านิ่งคอตกซบสาวท่ามกลางสงเหมือนกัน เราก็ไม่ไปทะเลาะกับเขาแต่เราจะขยายกลุ่มที่เข้าใจให้มากขึ้นมากขึ้นอยู่ที่ใครสร้างความเข้าใจนะได้มากกว่ากันนะเขาให้ศรัทธาอาจารย์เขาอาตมาให้ศรัทธาพระพุทธเจ้าและแจกแจงว่าคำพระเจ้าแท้ๆคืออะไรให้หลักฐานให้ข้อมูลให้วิธีตรวจสอบนะอย่างนี้ก็อยู่ที่ใครทําความเข้าใจได้มากกว่ากันกลุ่มที่เหลือจะเป็นชนกลุ่มน้อยไป พระศาสดาจะเปรียบเหมือนแสงอาทิตย์กับแสงหิ่งห้อยถ้าคำศาสดาฉายขึ้นมาแล้วเนี่ยคำของคนอื่นจะหมดราคาเหมือนแสงหิ่งห้อยจะค่อยๆ อ, อ, อับแสงไปเรื่อยๆนะโยมจะยิ่งชัดเจนโยมศึกษาพุทธวจนะจะยิ่งชัดเจนแล้วจะเกิดอาการคือไม่อยากอ่านหนังสือของใครเลยมันเป็นอย่างนี้นะลองพิสูจน์ดูนะก <c oughs> รมศาสนามีส่วนช่วยในการเผยแพร่พุทธวจนะที่พระอาจารย์ดำเนินอยู่อย่างไรหรือไม่ครับ ยังไม่รู้จักกันเลยนะคงยังอีกไกลเหมือนกันนะแต่ก็ค่อยๆ ค, ค, คิดว่าคงจะมีโอกาสในโอกาสหน้านะคงจะปรับได้ก็เคยไปบรรยายให้ที่กระทรวงศึกษาอยู่สองสาครั้งนะเขาก็ชอบกันมากอยู่แต่ทนี้ก็ยังหัวยังไม่ค่อยเปลี่ยนนะทำยังไงเราจะสามารถ ให้ข้อมูลเหล่านี้กระจายไปทั่วๆได้นะก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเลก斯ีคำถามนะครับตอนนี้ที่กล่าวว่าพระศีอรยะเมตไตรจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สองเป็นจริงหรือไม่และอยากให้มีหนังสือที่รวบรวมผูท้ทวนาที่เป็นเรื่องอุปมาอุปไมยสนุกสนุ ก, นกเหมาะสำหรับเด็กปฐมจะได้เริ่มปลูกฝังเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องตั้งแต่เด็กครับกาลังทาอยู่เหมือนกันนะมีอุปมาสนุกสนุกเยอะ ยังโยมไปอ่านเรื่องลิงติดตังเนี่ยโอ้ยน่งอ่านอนะค้ำอยู่คนเดียวนะอืมแล้วพระเจ้าบรรยายดีนะแหมยัมีลิงเนี่ยมันเดินไปตามป่าหิมะพรนาวฝูงลิงนะพระเจ้าบอกว่าลิงใดเป็นชาติลิงโง่ชาติลิงโลเลมันก็จะยึกยักยกัยกเอ๊เห็นตังเหนียวยัมกมือไปแตะหน่อยอา่าพอแตะปั๊บก็ติดนะมันก็จะมือข้างผลักมือข้างผักก็ติดอีกนะมันโมโหเท้าหยันเท้าติดอีกเอาท้ายข้างถีบ ท้าข้างก็ติดอีกโมโหปากกัดปากติดอีกเสร็จเลยนะติดตังเหนียวไปไหนไม่ได้นายพลานมาก็เอาสมุนแทงปากนะฮิวลิงไปตามปรารถนาเพราะว่าเธอเที่ยวไปในวิสัยแห่งบิดาของตนที่บอกไม่ให้เที่ยวไปมารผู้มีบาปก็จะทำอันตรายได้อันนี้จะสอนในเรื่องสติปัฏฐานสี่ให้เราอยู่ในสติปัฏฐานสี่นะอ่าแล้วมารผู้มีบาปจะทาอันตรายเธอไม่ได้นะ จะมีออกมาเยอะสนุกสนุกนะพระศีเลยยเมตตายจริงๆแล้วชื่อผู้เจ้าชื่อเมตเตยะนะจะมาตรัสรู้แต่ไม่ใช่องค์ที่สองก็กําลังจะเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่จะรวบรวมว่าผู้เจ้ามีกี่องค์กันแน่ <c oughs> ก็อาศัยจากที่ผู้เจ้าของเราเกล่าวถึงผู้เจ้าของเราเคยเกล่าวถึงผู้เจ้าวิปัสสีนะผู้เจ้าองค์นั้นองค์นี้เนี่ยหลายๆองค์เราก็จะค่อยๆรวบรวมจากแต่ละพะสูตร ก็เหมือนอย่างที่บอกสาสบเอภพภูมิอ่ะอันนี้ก็แก้ใหม่และรวบรวมพุทธวจนะที่ตัดเกี่ยวเรื่องภพภูมิเยอะมากพอสมควรนะเนี่ยเราค่อยๆเจอประเด็นไหนเราก็แก้แก้เพราะเรารู้แล้วนี่ว่าต้องคาพระเจ้าเท่านั้นเราก็จะสืบค้นในคําพระเจ้านะแล้วก็วางอธิคถาไปเหมือนพระเวสสันดรเนี่ยพระเจ้าบรรยายไว้ประมาณสี่ห้าหน้ากระดาษอย่างนี้เองนะแต่เราไปแต่งเป็นเล่มๆใหญ่อย่างเนี้ยเทศกันเจ็ดวันสิบวันไม่จบก็ไป ฟังในเรื่องที่คนปรุงแต่งขึ้นมานะไม่มีประโยชน์อะไรไม่ทราบว่าระบบการค้นข้อมูลสามารถค้นหาคำใกล้เคียงได้หรือไม่เช่นกรณีที่หนึ่งสกดคำผิดเช่นต้องการค้นหาเรื่องปฏิจจสมุปบาทแต่สกดผิดเป็นปฏิจจสมุปบาท ต, ตัวจอจารแล้วก็ขาดจอจารแล้วก็ขาดปล อ, อปลานะครับผลการค้นหาจะเป็นเช่นไรเคยใช้ Google จะมีข้อความขึ้นมาว่าต้องการค้นหาคำนี้ใช่หรือไม่ กรณีที่สองผู้ค้นหาข้อมูลหรือยูเซอร์ไม่รู้ว่าศีลแปดเรียกว่าอุโบสถศีลผู้คนก็จะค้นด้วยคําว่าศีลแปดซึ่งไม่มีในพโทธจารผู้คนก็จะเข้าใจผิดว่าศีลแปดไม่มีในพโทธจารจริงๆแต่ที่ถูกต้องคือศีลอุโบสถหรือกล่าวโดยสรุปคือผู้คนไม่มีความรู้ก็ใช้คำพื้นๆที่เคยใช้เคยดินมาแต่อาจามีกล่าวไว้ในพโทธจารก็ได้ครับตรงนี้แหละคือ คือปัญหาในการสืบพ้นไม่ใช่แต่โยมน่ะพวกอัตมาก็เป็นกันหมดนะเพราะฉะนั้นเราจะพยายามพิกคีย์เวิดพลิกไปพิกมาหาคําใกล้เคียงอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะอ่าไอโปรแกรมที่บอกคําใกล้เคียงก็มีเหมือนกันแต่มันก็มีในระดับหนึ่งเหมือนกันเหมือนอย่างพระสูตรเรื่องกลองศึกอย่างเงี้ยท่านผู้ท่านาแปลว่ากลองศึกแต่ในบานลีแสนมัสใช้คําว่าตะโพนไปกันอีกคนละเรื่องอีกแล้วใช่ไหมกลองตะโพนอย่างเงี้ยอ่านะนั้นบางทีเราก็ต้อง ต้องหาคําที่มันคล้ายๆกันนะเหมือนกับคำว่าเห็นคําว่ากรวดน้ําไม่มีเขาบอกอถ้าใช้คําว่าหลังน้ํามีนะเราก็กรวดน้ําหลังน้ําลดน้ําเทน้ําลินน้ําอะไรเอาให้มันหมดเลยหรือขีดคําว่าน้ําคําเดียวเอาน้ําคําเดียวออกมาให้หมดอย่างเนี้ยเรามปนั่งไล่ไล่เหมือนกับคนบอกว่าเออเนี่ยจะศึกษาธรรมะใครต้องดูจริตตัวเองนะว่าอย่างง่อนอย่างนี้พระเจ้ามไม่เคย สอนให้ต้องมาดูจริตตัวเองคือมันผิดตั้งแต่หลักการที่ใช้เลยนะพอหลักการที่ใช้ผิดพวกเนี่ยยมเชื่อว่าหลักการนี้ถูกยมก็เซไปเรื่องเอออันนี้ไม่เหมาะกับจริตชั้นอาจารย์นี้ไม่เหมาะนะเอาตัวเองเป็นเกณฑ์เลยตัวเองเป็นสารณะเลยไ ม, ไม่ได้นะพระเจ้าบอกมหาชนจะเดินตามที่พระเจ้าสันเสริญและพอเราใส่คําว่าจริตไปสแกนหาปั๊บโอโหออกมาสี่ร้อยกว่าพศทำไงดีเนี่ยนะ นั่งไล่ดูทุกระสูตรเลยพอไล่ดูไปปรากฏว่ามีแต่คําว่ากายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตกายทุจริตมโนทุจริตนะวจีทุจริตอย่างเนี้ยมีแต่เรื่องพวกนี้ทั้งนั้นเลยไม่มีว่าพระเจ้าให้ดูจริตของของเรานะจะได้รู้ว่าปฏิบัติอย่างไรไม่มีในพระสูตรอย่างนี้เป็นต้นหรือเหมือนอย่างคําว่า <c oughs> เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน อย่างเนี้ยก็มีคนสงสัยว่ามีสาวกบางคนบอกว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยนะใช้กับพระราหันหรือสาวกได้ก็เขาก็เลยสแกนนะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานปรากฏโอ้พระสูตรออกมาหลายร้อยมากเลยเช็คมันทุกพระสูตรเลยมีใช้กับผู้เจ้าองค์เดียวอ่านี่อีกประเด็นหนึ่งเห็นนะจะไม่มีตัวอย่างที่ผู้เจ้าใช้กับคนอื่นเลยอย่างเงี้ยก็ต้องคลำคลำกันอย่างแย่เยิมค่อยคอยหาไปหาไปพลิกไป เพราะนั้นหาเจอไม่เจออย่าพึ่งฟันทงนะหาไม่เจอก็อย่าพึ่งฟันทงขนาดพระยังหาผิดเลยนะบางทีหาไปปั๊บไปอ่ะทีแรกเนี่ยพระท่านหนึ่งหาว่าโพธิปัจิยธรรม37เ็ดนี่ยไม่มีในพุทธวจนะเพราะสแกนแต่ภาษาไทยปรากฏว่าทีมการว่าไปสแกนในบาลีปุ๊บเจอโพธิปักจิยธรรม37ในบาลีเจอหนึ่งพศูนหูหลบอยู่นิดเดียวเห็นไหมนั้น เจออะไรไม่เจออะไรก็เลยยังไม่อยากฟันธงนะในบางเรื่องเนี่ยเหมือนกับคําว่าสุญญาตา <c oughs> เราเคยได้ยินว่าสุญญาตาคือนิพพานแต่ปรากฏว่าพอไปดูแล้วหลายพระสูตรเข้าวผู้เจ้าใช้สุญญาตาตั้งแต่สมาธิขั้นต้นคือปฐมฌานถึงสมาธิขั้นสุดท้ายสัญญาเวทิตานิโรธแล้วจนถึงนิพพานเป็นคําที่ใช้คล่อมกันได้ทั้งสองระบบสมมุติกับวิมุตตนิโรธก็ใช้ได้สองระบบสมมุติกับวิมุตตนิโรธคือความดับแห่งขันห้า และนิโรธคือความคือวิมุตต์นะคือเมื่อปล่อยวางขันทั้งห้าหมดดับขันห้าได้นั่นคือวิมุตต์คือนิโรธเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะมีพระสูตรที่ท่านุู้ทานเคยให้ความเห็นว่าเอออันนี้งงปกติพระเจ้าจะพูดทุกสมุทัยนิโรธมักแต่ยมดูในหนังสือท่านผู้ทานจากพระโอษฐ์เองเนี่ยจะมีพระสูตรหนึ่งที่บอกว่าทุกสมุทัยมักนิโรธ ท่านผู้ายก็งงทาไมผู้เจ้าเลี้ยงมัดขึ้นก่อนนะแล้วอนิโรธต่อท้ายแต่เราได้คําตอบแล้วว่านิโรธเนี่ยผู้เจ้าใช้สองในยะมีคนถามผู้เจ้าว่านิโรธนิโรธคือความดับความดับขึ้นสมณพรามณ์เหล่าอื่นเขาทํากันส่วนภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทําเดรลฉานวิชาเห็นปันนั้นเสร็จแล้วแม้นี้ก็เป็นสินของเธอประการหนึ่งศินในกลุ่มนี้บัญญัติ ตอนที่ยังไม่มีพระไม่ดีพระที่แย่ที่สุดก็เป็นโสดาบันนะแล้วมีคนมาถามว่าภิกษุในธรรมวินัยเนี่ยเขาอยู่กันยังไงผู้เจ้าก็บอกนี่เขาอยู่กันอย่างนี้นะสัมมาหลาพรหมณ์เราอื่นอาจจะทําอย่างนี้แต่ภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้เขาไม่ทํากันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วพระเนี่ยจะต้องไม่ทําเรื่องเหล่านี้นะในเรื่องเหล่านี้ที่เป็นเดรัจฉานวิชาก็จะถูกปรับเรื่องปรับอบัติทุกกฏ เป็นอบัติที่เบาอย่างที่บอกปรงได้ด้วยวาจานะแต่ปัญหายอย่างหนึ่งคือตัวนี้มันจะเป็นเรื่องของมรรคและปฏิปทาซึ่งผู้เจ้าบอกว่าจะเกิดผลเสียต่อมหาชนเป็นจำนวนมากนะเท่ากับว่าพระองค์นั้นเนี่ยพาคนหลงทางหลงออกจากทางนิพพานหลงออกจากทางอมตะธรรมนะมันจะทำให้ยึดติดวนเวียนอยู่ในโลกในสังสารวัรวิธีแก้ก็คือ นำพระ อ, องค์นั้นไปศึกษาใหม่ไปถือนิสัยใหม่ไปอบรมใหม่นะมีวิธีแก้หมดเรียบร้อยบรรยัญญติมาเสร็จนะจะเป็นระบบป้องกันแก้ไขทิฏฐิและพฤติกรรมของพระอีกรูปแบบหนึ่งนะเนี่ยเราทำตามระบบอย่างเนี้ยรับรองเรียบร้อยอยู่คือใช้กฎของพรธเจ้าทั้งหมดนะไม่ใช้กฎระเบียบที่ตั้งขึ้นเองนะ อ่อันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เนาะอย่างให้สินแปดอะไรนี้ก็เหมือนกันน่ะนะทีมคารว่าเราอีกเป็นร้อยคนก็สแกนหาสินแปดไม่เจอทำไมมันก็ไล่กันไปใส่เลขแปดตัวเดียวมั่งน่ยไปเจอเขาปุบโวสดอ่ะโผล่มาบ้างอะไรอย่างเงี้ยต้องนั่งหากันอย่างเงี้ยยมยากเหมือนกันนะค่อยๆสืบคนนะจะขอมีส่วนร่วมในการศึกษาและเผยแพร่พุทธศาสนะอย่างไร ตอนนี้ค้นคว้าศึกษาพระไตรปิฎกจากหน้าเว็บ w w w ร์ไวเ0บ org และโปรแกรมธรรมทานซึ่งรวมฉบับบาลีงบับเข้าไปด้วยอยากทราบว่ามีความแตกต่างกับโปรแกรมที่ทางพระอาจารย์แจกจ่ายอย่างไรครับ <c oughs> คิดว่า 90% กว่าะจะเหมือนกันนะเรากำลังจะเช็คเหมือนกันเราถึงต้องการตัวออริจินอลไงต้องการปี 2, 4, 3, 6 ที่รัชกาลที่ห้าทำตัวนี้เพิ่งได้มาเนี่ยเป็นการพิมพ์ครั้งที่สองลองเปรียบเทียบการตัวแรกตัวแรกเนี่ยเรามีมีข้อมูลในในไฟล์คอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะยมลองดูข้อมูลของฉบับที่รัชกาลที่ห้าทำตั้งแต่แรกนี่คือตัวนี้ <c oughs> เรากําลังจะมาตรวจอยู่กับของฉบับธรรมทานฉบับนั้นฉบับนี้เออมาตรวจคร่าวๆแล้วเนี่ยทาให้ทราบว่า มันมีการปรับตัวพวกวรรณยุกอย่างคำว่าพันเตอย่างที่วงน ะ, ะคำว่าพันเตเน ย, ยมเห็นไหมว่าพอสัมภารเหมือนไม่แหนอากาศนอนหนูแล้วก็มีหยักหยากคล้ายๆเลข9้าแล้วก็สะระเอตตอเต่าแต่ปัจจุบันภาษาบาลีในนี้จะเขียนพันเตคือนะพอสัมภารนอนหนูแล้วก็จุดข้างใต้นอนหนูนะจะหมายถึงพันเตพันแล้วก็สะระเอตอเต่า เห็นไหมว่าวันอยุสองอันหายไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงวันณยุใหม่เป็นจุดมาแทนเพราะฉะนั้นไอ้ระบบจุดจม า, าทีหลังนะเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าอ๋อมันมีการปรับนิดหน่อยนะอ่แล้วตัวนี้นี่รู้สึกว่าจะมาปรับเนี่ยในรัชกาลที่สนะส่วนอค า, าลาเนี่ยจะเหมือนกันอคาาลาเนี่ยไม่ไม่ได้ถูกปรับแต่จะถูกปรับพวกพวกวันอยุอย่างนี้ นี่ก็คือคือสิ่งที่เรากำลังเช็คอยู่เหมือนกันว่าแต่ละฉบับเนี่ยมันต่างกันอย่างไรนะอาวุโสอิท ก, ก็กำลังรวบรวมพวกพระตปิฎกเนี่ยทั่วโลกทั้งหมดนะเช็คว่าใครเกิดอะไรอะไ ร, ะไรเดี๋ยวจะทำผังออกมาเป็นภาพให้เราเห็นทั้งหมดว่าอะไรมาก่อนหลังอะไรถูกปรับปรุงมาเป็นยังไงบ้างนะอ่าฮะ คือสังเนาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่แปลกมากตลกมากการสังเขนาคืออะไร <c oughs> ทุกคนจะบอกในหัวข้อของการสังเนาทั้งหมดว่าเพื่อทรงจําคําพระาศาสดาถูกต้องไหมอ่าการสังเนาครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยที่พระหมหากรสปะธรรมขอลวมพระหลานห้าร้อก็คือทํำยังไงช่วยกันจําคําพระพุทธเจ้านะถูกต้องไหม ไม่มีใครมาช่วยกันจําคําสาบวกถูกต้องไหมพระพุทธเจ้าพิ่งปริลิพานอุ้ยไม่มีใครตอบแล้วนะ่ะอุบาลีจำอะไรที่พระุทธเจ้าพูดได้บ้างอานนท์จำอะไรได้บ้างใช่ไหมกัสปะจําอะไรได้บ้างทุกคนพูดมาพูดมาเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้เทศกับทุกคนในเวลาเดียวกันพร้อมกันทั้งหมดใช่ไหมคนนี้เคยฟังมา50าระสูตรคนนี้เคยฟังร้อยระสูตรคนนี้เคยฟังพันพะสูตรไอคนสิบระสูต ร, ร, ต, รตกล่นไปกี่พะสูตรช่วยจำนะจําำที่เหลือจําไว้แล้วทั้งหมดห้าร้อยช่วยกัน สืบทอดต่อไปนะจำไว้ให้มั่นน ะ, ะคำศาสดาทั้งหมดมีเท่านี้นะทุกคนเนี่ยเช็คตรงกันหมดเรียบร้อยนะโอเคนี่คือสังคยนาพอครั้งที่2 3 4สาี่ห้าผ่านมาทุกวันนี้ถามว่าสังขยนาเป็นอย่างนั้นไหมไม่นะสังขยนากลายเป็นมีทั้งคำพูะเจ้าและคำสาวกติดพ่วงกันมาในเล่มเดียวกันเห็นนะไปให้ความสำคัญในคาที่แต่งขึ้นใหม่ทั้งที่แต่ก่อนเนี่ยเขาจาแต่คาพระุญเจ้าล้วน นะวันนั้นท่านผู้ทาดเนี่ยจึงเห็นปัญหาตรงนี้ก็เลยพยายามทํามาไงแต่ยีบสองปีในชีวิตของท่านท่านทําได้ห้าเล่มตัวนี้เพราะช่วงนั้นไม่มีคอมพิวเตอร์เราก็เลยแต่ก็ยังดีท่านทําด้านนริศัดเรื่องที่จำเป็นเร่งด่วนที่สุดจึงเป็นประโยชน์ต่ออาตมาแะโชคดีนะอาตมาโชคดีมากเลยได้อ่านหนังสือของท่านนะแต่ลูกศิษย์ของท่านกลับไม่อ่านลูกศิษย์ท่านุาู้ท้าดไม่รู้เรื่องนี้ หนังสือห้าเล่มนี้ของท่านเนี่ยตายสนิทไปนานแล้วแต่เรากลับมาปลุกขึ้นมาใหม่ก็เลยได้มีการพิมพ์กันใหม่นะทะน่นี้เราก็เลยทําใหม่ทั้งหมดนะข้อมูลเดิมนี่แหละทําหลักการเดียวกันเนี่ยเอาคําพระศาสดาอย่างเดียวมาเป็นสาสามเล่มตัวนี้คําศาสดารวนทั้งหมดนะแล้วก็ใส่บาลีเข้าไปด้วยเพื่อเช็คความถูกต้องในตัวได้ทันทีอย่างนี้นั้นก็คือ เอาข้อมูลตัวนี้ที่เก่าที่สุดเนี่ยใส่ลงไปในนี้นะแค่นั้นเองอะ่ะแล้วก็ใส่ลงไปในเครื่องนี้ด้วยนะส่วนการไล่เช็คก็ต้องค่อยๆเช็คไปคิดว่าไม่ต่างกันมากต่างกันก็ที่เจอเนี่ยนิดๆหน่อยๆแบบเนี้ยนะโดยหลักๆแล้วจะเหมือนกันซึ่งถ้ามีความต่างกันในจุดไหนเนี่ยจะทำให้พสัสดรขัดกันทันทีไม่ยากหลายครั้งหมอฟันคนหนึ่งเจอคนนี้เจอคนนี้เจ อ, นนเจอทีมาสาแล้วเนี่ย ก็จะมาดูอ๋อเราเริ่มเข้าใจแล้วถ้าคุณแปลผิดเนี่ยพระสูตรจะขัดกันทันทีเพราะคำผู้เจ้าจะสอดรับกันหมดโยมเห็นไหมว่าหลักการพวกเนี้ยผู้เจ้าต้องแก้จากพระองค์เองคนแรกว่าท่านต้องพูดไม่ขัดแย้งกันหลักการมหาประเทศสี่จึงจะใช้ได้เห็นไหมสุดยอดไหมผู้เจ้าจึงต้องทำไมกาหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คาเดียวซึ่งสาวกทาไม่ได้เลยโยม นั้นจึงยกตัวอย่างสารีบุตรก็ทําไม่ได้คําพูดก็เคยพลาดผู้เจ้าก็เคยขานสารีบุตรก็ไม่เคยกล้าขัดแยง้งเนี่ยเพราะนั้นไม่ต้องพูดถึงสาวกยุคนี้ทําไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ทําเลยเนี่ยเราเคยมาสงสัยว่าทําไมผู้เจ้าพูดว่าคนกระตันยูหาได้ยากในโลกเทียบชั้นเท่ากับพระพุทธเจ้าน่ะเอ๊ะทำไมคนกระตันยูมันน่าจะมีเยอะแต่ถ้านึกในมุมนี้ว่า คนที่จะกะตันอยู่ต่อพระพุทธเจ้าแม้แต่ลูกศิษย์ของท่านเองที่จะซื่อตรงตรงๆเป๊ะๆยังหาไม่เคยได้เลยในโอไม่สงสัยเหมือนกันนะคนกตันอยู่นี่หาได้ยากจริงๆขนาดลูกศิษย์ท่านเองที่ท่านบอกอยาบัญญัติเพิ่มนะยาเพิกถอนนะเชื่อฟังไหมก็ไม่เชื่อเหมือนกันนะอหมแถมบางทียังบอกว่าเอ้ยคำพุทธเจ้าเนี่ยต้องปรับแล้วเปลี่ยนแล้วนะเป็นไปตามยุคตามสมัยเนี่ยถามกระตันอยู่ไหมไม่ได้กระตันอยู่นะนั้นพุทธเจ้าจึงบอกบุคคล3ามจัมพวกหาได้ยากในโลก 1. ความเป็นพระพุทธเจ้า 2. ผู้ประกาศคำตถาคตสผู้มีความกระตันยูกะตะเวทีเห็นนะดูแล้วไม่น่าเชื่อนะเพราะนั้นถ้าเราช่วยกันประกาศคำตถาคตเราจะเป็นหนึ่งในบุคคลหาได้ยากในโลกหรือเป็นหนึ่งในรัตนห้ายมดูนะพระอานนท์เนี่ยสรรเสริญคุณพระศาสดาแค่ว่าพูดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระสมณโคดมช่างมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมาก พระอานนท์พระอุทายีไปเบรกพระอานนท์บอกว่ามีประโยชน์อะไรกับท่านเนี่ยด้วยคําพูดเพียงเท่านี้ไม่เห็นจะมีประโยชน์เลยองมาชมอะไรต่อหน้าผู้เจ้าผู้เจ้าก็เลยเบรกพระอุทายีต่อบอกอุทายีถ้าอานนท์เนี่ยยังไม่สิ้นสังโยชนนะด้วยอ น, นิสงส์การสรนเสริญพระศาสดาอย่างนี้เขาจะได้ไปเกิดเป็นจอมแห่งเทวดาเจดชาตินะคือเท้าส ก, กาัดเทวดาเจ็ดชาติและพระมหาจักรวรรดิเจ็ดชาติ เราก็เลยมาดูเนี่ยตรงนี้โอ้โหขนาดพระนนชมพูะเจ้านิดเดียวแต่ถ้าเราประกาศและสันเสริญคุณพูะเจ้าอยู่ตลอดเวลาเผยแผ่ธรรมะพูะเจ้าอยู่ตลอดเวลาโยมลองนับอันนี้ส่งแล้วกันว่ามันจะมากมายมหาศาลขนาดไหนนะนี่ก็เป็นตัวอย่างเทียบให้ฟังนิดหนึ่งอะอะฮะ อือือือืนะฮะทำไมสถานที่ใช้ในการเกิดทำไมมันจะเสื่อมไม่ได้ล่ะโยมมันกฎอนิจจงไม่ใช่ว่าที่เก no er in ิดแล้วม mm ันจะต้องดีตลอดนี่โยมใช่ไหมที่ไหนเกิดขอให้ศาสนานั้นแผ่ไพศาลไปได้ละกันไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเพราะนั้นถ้าบ้านโยมเคยเจริญ นะแล้วโยมเผยแผ่ต่อไปสิ่งที่โยมเผยแผ่จะไปเจริญงอกงามที่อื่นก็ได้ถ้าสถานที่นั้นมีบุคคลที่สับปายะมีบุคคลผู้มีทุลียนในดวงตาน้อยไปเกิดในที่นั้นที่นั้นก็เจริญงอกงามมันอยู่ที่เหตุปัจจัยใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันเคยเจริญถึงขีดสุดมาแล้วในยุคผู้เจ้ามันก็เสื่อมเป็นธรรมดาผู้เจ้าก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าสงตั้งมานานเจริญด้วยลาบ แผ่ภัยารไปเต็มที่อาสวัฐานิยธรรมทำอันเป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมจะบังเกิดขึ้นก็ตรงอยู่แล้วผู้เจ้าก็บัญญัติไว้แล้วรู้ล่วงหน้าไว้หมดแล้วว่าจะเจริญยังไงจะเสื่อมยังไงใช่ไหมเพราะนั้นโยมลองดูว่ายุคหลังๆเนี่ยใช้คําศาสนาไหมไม่ได้ใช้การบรรลุธรรมก็เกิดขึ้นน้อยความเข้าใจก็ผิดพล า, าดคาดเคลื่อนแต่นิกายไปเป็นร้อยนิกายพระในญี่ปุ่นก็บอกว่าเป็นพระในพุทธศาสนาแต่มีครอบครัวได้มันก็กระจาย ความเห็นกันไปเต็มไปหมดเลยนั้นมันจะอยู่ตรงไหนก็ตามณหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตอนนี้ก็มีที่อินเดียที่เดียวผู้เช่าเนี่ยถ้ายมไปดูในพุทธวจนะผู้เช่าจะพูดภูชื่อภูมิประเทศที่อยู่มีอยู่ในอินเดียนะไม่ว่าจะเป็นภูเขานะทิศเหนืออะไรทิศใต้อะไรแม่น้ำอะไรนะพูดเรื่องแม่น้ำคงคานี่ก็พูดมาเยอะมาก นะชื่อแม่น้ําต่างๆก็ยังมีอยู่ในอินเดียทั้งสิ้นจะบอกว่าไม่ใช่อินเดียเนี่ยมันเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้นะส่วนเรื่องของชมพูทวีปผู้ชาติบอกชมพูทวีปมีเป็นพันชมพูทวีปเลยแล้วมีอุตรกุลุทวีปนะปุพราวิเทหะทวีป อ, อมัลโคยานทวีปมนุษย์เนี่ยมีหลายเผ่าพันธุ์อีกนะตรงเนี้ต้องค่อยๆไปศึกษาอีกทีหนึ่งนะมันมีความละเอียดตรงนี้อีกเยอะมาก คำว่าทวิพผู้เจ้าใช้กว้างแคบแค่ไหนตรงนี้กำลังเจาะรายละเอียดเหมือนกันว่าทวิของผู้เจ้าเนี่ยหมายถึงอะไรใช่ไอบเห็นไหมลังกาขะพมา่าพม่าเท่าที่เราไปสัมผัสดูก็ยังเป็นอัตถกาถานะีที่เบรนี่อัตถกถาทั้งนั้นเลยญี่ปุน่นจีนอัตถกถาเนะ จริงๆแล้วข้อมูลที่เป็นพุทธวจนะก็มีอยู่ในประเทศเขาเพียงแต่เขาไม่ได้ไปศึกษาเหมือนกับประเทศเรานะ่ยข้อมูลที่เป็นพุทธวจนะก็มีอยู่แต่เราไม่ศึกษาเห็นนะเพราะเราไปมีแนวคิดว่าคำพุทธเจ้ายากเดี๋ยวก่อนต้องศึกษาคำสาวกก่อนเอาคําที่คนอธิบายมาทีหลังก่อนดีกว่าไอ้ความคิดนี้ไม่รู้ใครเป็นคนคิดนะมันคิดสวนกับพุทธเจ้าปุ๊บเลยและด้วยหลักการนี้ปั๊บเนี่ยผิดละเนรนาดมาเลยใช่ไหมอ่า จริงๆ จ, จ, จริงตรงพระเจ้าในมาตรฐานดีที่สุดแล้วครูที่เก่งที่สุดนะข้อสุดท้ายนะครับมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมสังเคาะคําและอื่นๆพอสมควรขออาสาเข้าร่วมพัฒนาโปรแกรมอีแตบิกะอีแตบิตะตการได้หรือไ ม, ม่ความสามารถเช่นโปรแกรมขึ้นเว็บโพจนานุกรมบาลีไทย อ, อ่านออกเสียงไทยบาลีจัดบนรรจุทําในพระสูตเป็นกลุ่มๆให้ง่ายต่อการศึกษาเรียบเรียงค้นคว้า นำพุชนาออกเป็น pdf w เ r d เวิร์ดเว็บและอื่นๆครับแล้วก็ให้เบิร์ติดต่อเป็นอ e ีเมลมาครับโอ้โหสุดยอดเลยกำลังต้องการอนุโมทนาด้วยนะนี่แหละเว็บมันก็จะเนียนขึ้นละเอียดขึ้นนะปราณีตขึ้นแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยนะอะ่ก็อนุโมทนามากๆนะเดี๋ยวก็ฝากอาวุโสมาร์กเก็บส่งต่ออาวุโสโตต่อ ต, อ, ตอนนี้ให้ท่านโตเป็น หัวหน้าทีมทำพวกเนี่ยพวกหนังสือพวกเว็บพวกะไรพวกเนี้ยนะายที่เป็นอาสาสมัครก็จะให้ยิงตรงไปที่ท่านเพราะท่านจะมีความรู้เรื่องเรื่องคอมเรื่องลายต่อไรเนะอาุโสมากก็อยู่ทีมเผยแพ่อาตมานะก็อาุโสอิฐก็ช่วยกันนะหลายๆด้านก็พยายามทำให้มันเกิดความมั่นคงขึ้นมาในประเทศซะก่อน ตัวนี้ดีมากเลยเรามีไอเดียอะไรอีกเยอะๆนะอาจจะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นทีวีเหมือนเราไปเจอแอปพลิเคชันที่เป็นทีวีของเบนท b บของต่างประเทศอะไรอย่างเนี้ยเนี่ยเราจะค่อยๆพัฒนาตัวนี้แล้วใส่เรื่องของพุทธวัจนะให้ดูรายการได้คือไปในทุกๆช่องทางไปเลยนะใครสะดวกตรงไหนก็จะได้ใช้ช่องทางตรงนั้น อ๋อเออไม่มีอะไรมั้งถามประวัติท่านก็ไม่ค่อยจะตอบตั้งหลยอย่างอุศมากยมพ่อท่านก็เป็นเป็นทูตนะท่านนำสกุลอิสรางกุลณายุธยานะแล้วก็จบต่างประเทศจบสถาปัตนทั้งในประเทศต่างประเทศปริญญาโทนะก็ <c oughs> ก็สนใจมาศึกษา ผู้ทวจนะแล้วก็เห็นความสำคัญตรงนี้ก็ช่วยกันเป็นทีมเผยแรนะ่ในการที่จะทำตรงนี้นะกนะ็ก็หลายๆท่านเราได้พระที่จบสูงๆนะมานะเป็นมีเทคนิคการแพทย์อยู่แล้วก็จบโทจบเอกอะไรอย่างเงี้ยนะก็ถือว่าเป็นโชคดีนะก็ทำให้ให้งานมันเดินไปได้เรื่อยๆนะ ก็ต้องอานนุโมทนากับกทีมพระแล้วก็ทีมญาติโยมที่เข้ามานะแล้ช่วยกันก็เวลาคงใกล้นะในอากาศนี้ก็คงคงปิดอะไรเนาะขออนุญาตเจ้าค่ะว่าขอเข้ามาพระอาจารย์แล้วก็ถวายธยธรรมแล้วให้พระอาจารย์มอบใบประกาศให้แก่คณะผู้ปฏิบัติตามการเป็นปาร์เจ้าค่ะก็นะคะ ขอเข้ามาพระอาจารย์อยู่ในอยู่ในหน้าคู่มือนะคะค่ะเชิญผู้แทนนะคะสองท่านค่ะค่ะไปนั่งเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเรา น้อมพนมมือนะคะให้แทนผู้แทนถวายนะคะแล้วก็กลับเข้าที่จะได้ไปกล่าวคำถวายได้ค่ะเชิญเลยค่ะของผู้แทนเปิดกลวยนะคะถวายทุกเทียนแพรของพมาคูบาจากที่เราอาจาพลาดพั้งนะคะด้วยกายวาจาใจล่วงเกินท่านค่ ะ, คะเชิญผู้แทนเข้าที่ค่ะกราบค่ะ ลำนับต่อไฟเขาเรียนเชิญ